อัดในใจดีกว่าอัดในใจอันในใจแล้วไม่ลบไม่ได้อยูอยต่ตลอดไปตลอดไม่เ <c oughs> ลถ้ามันเข้าใจแล้วไม่ลืก <c oughs> มันจะเป็นธรรมะยี่ในใจเราติดใจกับเราไปตลอด ที่บ้านตากยาลาหลวงตาเรียกผู้ชมนี่พอพระมาบอกคเขามีอะไรต้องกระโดดต้องวางปล่อยวาง ห, หมดเลยวิ่งเลยเพราะส่วนใหญ่หลวงตาท่านไปนั่งรออยู่ก่อนแนะอ้วท่านมาบอกท่านไปเดิเนไม่ได้สาลาบอกข้าข้าที่สาลาเรียกประชุมบางทีท่านก็ไปนั่งชั้นหมาของท่านอยู่ก่อนน ะ, ะไปถึงน้องรีบไ ป, ไปบจัดที่นั่งที่อะไรกันบางทีไปถึง วงอื่นเขานั่งกันันกันกเกือบจะโคบหมดแล้วนอยู่ที่นั่นนี่โอเอไม่ได้ท่านไม่ต้องนห<อ>มทา่านเคียรดังแต่นีมีม่อยู่ครั้งหนึ่งรูปป้สึกว่าท่านเพ่งแต่ปาลบ ก, กับพระที่ปนิบัติท่านว่าช่วง น, นี้ไม่ค่อยได้ทาวัดเลยไม่ได้อบรมพระเลย วันนี้จะลบมาวันนี้จะเอบอบดีหรือไม่ดีเนี่ยท่านไปฟังว่าจะอบรมรีบไปบอกพระมา <c oughs> <c oughs> มาถึงถ้ามาทําอะไรกันมา <c oughs> <c oughs> ที่ฟังนี่ท่านตาลบก็คี่ว่าท่านจะประชุ ม, มรีบไปบอกพระกันเ <c oughs> <c oughs> ด๋ไปบอกพระนี่ท่านจะบอกองค์นี้องค์นี้แล้วท่านก็จะไปบวกกันต่ อ, ตอ เพราะถ้าองค์เดียวจะไปออกจะบอกทุกทุกองให้มันจะไม่ทันก็จะไปบอกแต่เฉพาะกุฏิที่ใกล้ๆสลาแล้วองค์ต่อไปเขาก็ลับบกหยวทังต่อไป<น> ท่าดูพระที่รับคำสั่งว่าต้องพร ะ, ะ อ, องคนั้นต้องหัวดําดินเลยว่าไม่ฟังให้ดีนะหลวองอาจารย์ก็พูดหริงก็้ประโยชน์คือบางทีหลวงจารท่านก็พูดเป็นเหมือนกับว่าให้เราคิดนงให้เราคิดหีืบางอย่างมันมันมั น, ม น, มนต้องรอให้ท่านพูดแน่ๆเมือ่อหลังท่านก็พูดแต่ว่าพอพูดแล้วเราก็ต้องเข้าใจว่าท่านหมายถึงอะไร ที่ท่านก็คงจะไปเข้าใจถึงท่านพูดอย่างนี้แสดงว่าท่านจะอบรมพระไม่ได้ลงมาแล้วเป็นห่วงพระอะไรเงี้ยให้เราพูดแตนก็คิดว่าเป็นห่วงท่านก็จะอบรมแน่แล้วส่วนใหญ่ท่านลงอบรมกี่โมงห้ท่านเองก็ <c oughs> ครบครบอ่ะใกล้ใกล้มืด<า>ระหว่างระหว่างกําลังจะมือดอะไระอย่างแสลัวสลัวอยู่ มันไม่แน่เวลาเพราะมันในแต่ละช่วงของปีมันเวลาถ้าดูตามนาฬิกามันจะต่างกันถ้าช่วงหน้าหนาวนี่มันเริ่มมืดเร็วและตอนนี้ประมาณหกโมงสิบห้ายี่สิบนี้ก็เริ่มมืดละแต่ถ้าในช่วงฤดูร้อนนี่มันเกือบทุ่มเถึงจะมืดคนใหญ่ท่านก็จะรอให้มันใกล้มืดก่อนต้ก็เรียกกระชุม เอาในเดินแอาสุดท้ายก็แย่แต่ก็ไม่เป็นไรเราเพราะว่าส่วนให ญ, ญ่พอไปถึงนี่มันมืดอ๋อก็มีแต่จะจุดเทียนเทียนสองดอกที่หน้าพระประธานท่านนั้นแล้วก็จุดส่วนใหญ่ก็พระเนีจะไม่ได้จุดธูปเทีทนเยนหนึ่งจะจุดเทียนแล้วก็ถ้ใครไปถึงก็ไปกราบพระแล้ว น, น, นั่งเข้าปราจที่ของตัว ท่านอาานย์ราเวลาที่ท่านอาจาร์ปัญญาแปลเนี่ยนะคะท่านแปลทันทีเลยอย่าองอย่างหนึงตาที่เราให้เสร็จก่อนประมาณสักสี่สิบห้านาทีในชั่วโมงมนี้ได้ให้เสร็จแล้วท่านไปจะพักแล้วก็บอกอ่าท่านปัญญาอธิบายให้หนุนฟังอันนั้นท่านก็จะนั่งฉันนางฉันหมากอะไรอไปน้องอื่นก็นั่งภาวนาไปท่านปัญญาก็พูดซุบซิบซุบซิกับพระฝระังซึ่งมีอยู่ประมาณสี่ห้ารูปก็ ก็สรุปหัวข้อความใหญ่ๆว่าท่านใดเทีเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ประมาณทักสินะคือหลวงาท่านจะเกิดชั่วโมงท่านก็ท่านก็สรุดีเจแล้วลวงตาคะเสร็จแล้วเหรอบวกจะต้องเกิดชั่วมองเจแล้วเหรอหลวงกาท่านลมบ่อยนะครับก่อนท่านกันฟังเลย วิทยุเพราะเขาเมื่อวันฟืนทั้งก็หลงคุณสัญญาท่านดีแล้วเข้ากุฏิไม่ถุยท่านหลงทางหลงควรจะเปลี่ยนมาเรื่องทางร่างกายภาษาไม่ทํางานเหมือนกราวิทยุหรือเทปอะไรพวกนี้บางทีกดให้มันทํางานมันก็ไม่ทําตามคําสั่งแต่ใจไม่ได้เป็นอะไรนะแต่มันต้องอาศาัยร่างกายเป็นสื่อ ร่างกายก็เป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่งขอให้เราพยายามมองทุกครั้งมองร่างกายเราให้คิดว่าเป็นรถยนต์ใจผู้ผู้ผู้คิดผู้สั่งการร่างกายนี้เป็นคนขับเป็นสองส่วนกันมารวมกันเหมือนกับน้ํากับขวดน้ํามารวมอยู่ในขวดเดียวไมอ่อยู่ในที่เดียวกันแต่ขวดน้ําแต่น้ํานี้มันเป็นคนละเรื่องกันเป็นคนละส่นกัน ร่างกายกับใจก็เป็นคนละศูนย์กัใจก็เป็นเหมือนกับงานที่ใช้ร่างกายนี้เป็นภาชนะรองรับอะไรท่านั้นเองแล้วก็มีญาติที่สั่งสั่งกายให้ไปทำอะไรต่างๆขึ้นอยู่กับความฉลาดหรือความโง่พาไปถ้าความฉลาดพาไปก็ใงให้ไปทำ เก่งที่ดีเช่นวันนี้พวกเรามีความฉลาดสั่งมามีปัญญามีธรรมะสั่งให้มาทําบุญมาฟังเทศฟังธรรมอาง น, นี้เรียกว่าความฉลาดพาไปไม่ใช่อวิชาปัจจัยสังขาราแต่เป็นธรรมาปัจจัยสังขาราหรือวิชาปัจจัยสังขาราอาวิชาเป็นความหลงวิชาเป็นความรู้จริงเห็นจริง เราถึงแม้จะไม่รู้จรงเห็นจริงเราก็อาศัยความรู้จริงเห็นจริงของพระพุทธเจ้าของครูบาอาจารย์ที่ทรงสั่งสอนให้เราคิดมาในทางนี้คิดดีคิดคิดดีคือให้คิดทำบุญคิดหาแสวงหาธรรมะอย่ น, นี้เรียกว่าคิดดีเมื่อคิดดีแล้วเราก็พูดดีทำดี ชวนเพื่อนผูงกันแล้วก็เดินทางมาทำความดีกันเอเราทําความดีแล้วเราก็ได้ไประโยชน์สุดทางด้านจิตใจจิตใจมีความสุขมีความเย็นมีความสบายจิตใจมีความเฉลียความฉลาดเพิ่มขึ้นมีความเห็นที่ถูกต้องมากขึ้นนี่คือใจที่มีความฉลาดพาไป าใจที่มีความโง่พาไปตอนนี้ก็อาจจะไปเที่ยวอยู่ที่ไหนที่ไหนไปตกปลาไปเล่นการพนนไปดูภาพประยงหรือไปเลี้ยงฉลองกันที่ไหนนั่นเป็นความโง่พาไปเป็นความสุขแบบสุขเอาเผากินสุขเหมือนกับ ควไฟที่ปรากฏขึ้นแล้วก็จางหายไปความสุขที่เราได้จากความโง่พาเราไปทำเป็นความสุขที่มันไม่จีรังทาวรไม่ติดอยู่กับใจสิ่งที่ติดอยู่กับใจกับเป็นความหิวความอยากความอ้างวางกล่าวเปลี่ยว เวลาที่เราได้ร่วมกับเพื่อนฝูงเที่ยวกันหาความสุขกันพอเราต่างคนต่างต้องแยกทางกันกลับบ้านเรานั้นใจของเราก็รู้สึกว่าเหวแต่การทาบุญนี้จะทำให้เรามีความอิ่มเอิบใจถึงแม้เราแยกแยกกันไปเราก็ไม่รู้สึกว่าเหว ถ้ามีใจติดอยู่ไปมีธรรมะติดมีบุญติดไปกับใจของเราบุญนี้จะทําให้เราสามารถอยู่ตามลําพังของเราได้โดยที่เราไม่ต้องมีสิ่งอื่นบุคคลอื่นมาคอยให้ความสุขกับเราเพราะบุญนี้มันเป็นความสุขที่ติดอยู่กับในใจของเรา เพรนั้นพยายามเวลาคิดให้คิดด้วยปัญญาคิดด้วยความฉลาดเช่นเมื่อกี้บอกว่าดูร่างกายก็ให้เราดูว่าเป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่งไม่ได้เป็นใจใจนี้ไม่ได้เป็นกายใจเป็นผู้รับรู้เป็นผู้คิดร่างกายนี้ไม่ได้รับรู้คิดไม่เป็นร่างกายนี้ถ้าไม่มีใจก็เป็นซากสดไป ไปคุยกับคนตายคุยยังไงเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเพราะผู้ที่รู้ผู้ที่รับรู้เรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายแล้วเอาเข็มไปทิ่มไปแทงร่างกายก็จะไม่สะดุ้งผวาแต่ถ้ายังมีใจรับรู้อยู่นี่เพียงแต่ยกเข็นขึ้นมายังไม่ทันจิน้มก็ผวาแล้วพรใจรับรู้อยู่ใจตัวนี้แหละที่มาเกิด ที่มาสิงอยู่ในร่างกายนี้ในขณะที่เริ่มก่อตัวขึ้นในท้องของของแม่เมื่อมีเชื้อของพ่อกับของแม่มาผสมกันถ้าไม่มีใจมามาล่วมสังคกรรมด้วยก็จะไม่ปรากฏเป็นการตั้งขันไม่มีการปฏิสนธิเช่นมีสามีภรรยาบางคู่นี่เขาไม่เขาไม่มีลูกสักที ก็ไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุเพราะอะไรพร้อมขาดดวงวิญญาณดวงใจที่จะมาปมามาร่วมสังฆกรรมด้วยหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นความบกพร่องของเชื้อของพ่อหรือของแม่ต้องเป็นส่วนได้ส่วนหนึ่งในสามเสี้ยนี้ที่บกพร่องแต่คิดว่าคงไม่บกพร่องทางด้านดวงวิญญาณเพราะมีดวงวิญญาณรอจะเกิดอีกเป็นจำนวนมาก เหมือนกับนักเรียนที่สอบเอ็นทรานเข้ามาหาวิทยาลัยในแต่ละปีมีนักเรียนสมัครสอบเข้ามาหาวิทยาลัยเป็นจนํานวนมากแต่มหาวิทยาลัยจะรับได้เพียงจํานวนจํากัดชั้นใดการมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นเหมือนกับการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยก็ต้องแข่งขันกันคะแนนคะแนนที่เขาดูหรือวิชาที่เขา เน้นมากที่สุดก็คือศีลธรรมใครมีศีลมากคนนั้นก็มีคะแนนสูงใครมีศีลน้อยคนนั้นก็มีคะแนนน้อยเพราะว่าปัจจัยที่จะทำให้ดวงวิญญาณได้เกิดเป็นมนุษย์นี้อยู่ที่ศีลธรรมเป็นหลักไม่ได้อยู่ที่การทําบุญให้ทานลองให้ทําบุญให้ทานหลายล้านเท่ากับคนที่เขาไม่ได้ทําบุญหรือทำบุน้อย แต่เขารักษาศีลได้มากกว่าคนที่รักษาศีลได้มากกว่ามีมีโอกาสได้เกิดมากได้เกิดมาเป็นมนุษย์มากกว่าเพราะเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเทเเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลต้องมีศีลห้าเป็นเป็นเหตุเป็นปัจจัยไม่ใช่อยู่ที่การทำาร้อยล้านพันล้านแต่ก็ยังคดโกยังโกงหกหลอกลวงอย่างนี้ จะไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเกิดก็อาจจะได้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานเช่นเศรษฐีไปเกิดเป็นสุนัขในบ้านของตนเองถ้าทําบุญมากก็อาจจะได้เกิดเป็นสุนัขที่น่ารักใครก็เห็นแล้วก็อยากจะเอาไปเลี้ยงเหมือนลูกบางคนนี่ไม่มีลูกก็เลี้ยงสุนัขแทนเลี้ยงเหมือนลูกเลยเอาไปวิีนะ้ยงเอาเติดตัวไปตลอด ใส่ตะก้าไปไปหาพระดสัยให้ถวายสังฆทานกับพระด้วยเวลาตายไปก็มาทำบุญอุทิศส่วนบุญให้ด้วยเห <c oughs> มือนลูกเลยเ ม, มนลูกเกพราะว่าหมาตัวนั้นเขาเคยทำบุญมาม้ากเขา เ, เกิดมาแล้วอยู่อย่างสุขอย่างสบายแต่เขาไม่ได้รักษาสีย จึงไม่มีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทศเป็นพรมเป็นพระอริยเจ้าในท้ายสิ้นที่เราเวลาที่พระท่านให้ศิ่จงจะท่านจะกล่าวว่าสิเลนะสุขติมัลติสิ่งเป็นเหตุที่ท้ายพาไปสู่สุข ต, สขติสุขติก็คือพบของมนุษย์ของเทศของพรมของพระ อ, อริยะบุคคลดั ง, งนั้นอย่าไปลงคิดว่าเราทําำไปมากแล้วเราจะ ไ ด, ได้ไปสวรรค์ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ต้องรักษาศีลถ้ารักษาศีลแต่ไม่ได้ทำบุญมากก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่ไม่ค่อยมีเงินมีทองเท่าไหร่ต้องมาหาใหม่แต่ถ้าทําบุญให้ทำบุญให้ทานก็มากรักษาศีลก็มากวันมาเกิดก็จะได้เป็นมนุษย์ได้มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามและมีสมบัติ เข้าของเงินทองเกิดเป็นลูกเศรษฐีอย่างเงี้ยไม่ต้องไปเหนื่อยหาเงินหาทองใช้เงินของพ่อแค่ได้สบายนี่คืออันนี้ส์งของการทำเงินให้ทานอันนี้สองที่เกิดจากการ ม, มีธรรมะพาไปมีธรรมะสอนให้พาไปแล้วถ้าเราบำเพ็ญศีลได้ มากเท่าไหรก็จะทําให้จิตใจเรามีความร่มเย็นเป็นสุขมากเราก็จะเห็นคุณค่าของความสงบสุขของจิตใจก็อยากจะทําให้มีมากขึ้นแต่ิ่งนี้ทําได้เพียงระดับเดียวในระดับหนึ่งถ้าอยากจะให้มีความสุขถึงมแม้เรารักษาศีลบริสุทธิ์แล้วใจก็ของเราก็ยังโกรธได้ยังเกลียดได้ยังอิจฉาริษยายังมีอารมณ์ว่าวุ่นขุ่นงัวได้ แต่เราต้องการที่จะกาจัดสิ่งเหล่านี้ที่มาทำให้จิตใจของเราไม่สงบเราก็ต้องบำเพ็งธรรมที่สูงขึ้นไปก็ต้องเจริญจิตตภาวนาขั้นต้นกสัมมาภาวนาขั้นที่สองก็วิปัสสนาภาวนาหรือเรียกว่าเจริญสมาธิและปัญญาตามลาดับต่อไปเวลาจิตสงบแนละ้วความโกรธความ โลกความหลงก็จะสงกตัวตามไปด้วยเพราะความโลภความโกรธความหลงนี้อาศัยการทํางานของจิตคือความคิดทั้งจิตเป็นเป็นตัวเป็นเป็นสื่อเป็นเครื่องมือเหมือนกับเหมือนกับเราอาศัยรถยนต์เดินทางมาที่นี้ถ้าใจไม่คิดอะไรก็โกรธไม่ได้ถ้าใจไม่สงบอยู่เฉยๆโกรธไม่ได้โลภไม่ได้หลงไม่ได้ ต้องคิดคือได้เห็นอะไรแล้วก็เอามาคิดก็ดีนะได้อย่างนั้นมาแล้วเราจะมีความสุขนะนี่ก็เกิดความคิดนะี่ยความหลงพาคิดนะคิดผิดคิดว่าสิ่งในโลกนี้มีความสุขถ้ามีธรรมะก็จะคิดว่าไม่มีอะไรในโลกนี้มีความสุขอสัพเบธ ร, รมาทุกขาอสัพเบธรรมาอนิจจาอสัพเบธ ร, รมานัตตาของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ มีความทุกข์เป็นทุกข์ทั้งนั้นเป็นแต่เรามองไม่เห็นมันเพราะมันเป็นความทุกข์ที่ถูกเคลือบด้วยความสุขเป็นความขมที่ถูกเคลือบด้วยน้ําตาลเราจึงมีความสุขใหม่ๆอย่างที่ได้พูดไว้ว่าเวลาไปเที่ยวก็มีความสุขสนานเฮคาพอกลับบ้านก็มีความรู้สึกเศร้าส้อยหมอยหเหงาตามมาถ้าเราไม่ออกจากบ้านได้เราอยู่กับบ้าน แล้วทนทุกข์ไปจนเกินความเคยชินต่อไปเราอยู่บ้านทเฉใจก็จะไม่รู้สึกอ้างว้างปากเปลี่ยวไม่ต้องออกนอกบ้านก็ได้ไม่ต้องไหาความสุขนอกบ้านหาความสุขภายในบ้านได้เพราะของเพราะในบ้านนี้เป็นเหมือนสวรรค์อยู่แล้วมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเพรียงไปหมดที่นอนที่นั่งห้องน้ําห้องทาาอาหารการกินก็พร้อมแสนจะสุขแสนจะสบาย ไม่ต้องไปทนนั่งรถเป็นชั่วโมงชั่วโมงกว่าจะไปถึงที่ที่เราอยากจะไปพอได้ดูได้เห็นก็ต้องนั่งรถก่า อ, อีกแล้วทรมานอยู่ในรถนะแต่มันความหลงมันจะทา ม, มันไม่ให้ทาให้เราคิดถึงเรื่องอะไ น, นมันจะให้คิดว่าไปไปไม่เถอดไปแล้วจะสูญไปแล้วจะสูญจะ <c oughs> <c oughs> เหนื่จะยากจะลบาบากอย่างไงก็ สู้ <laughs> นี่คือความหนูเอาวิชาพาไปเอาวิชาปฏิยาสังขาราพาให้เราไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะถ้าธรรมะพาไปก็พาให้เราสลับให้เราละรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะให้เราสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกมือกายอย่าไปหารูปเสียงกลิ่นรส หมดตาพะให้หันเข้ามาเดินใจให้เข้าข้างในหลวงปุดูลีนั้นบอกใจออกข้างนอกเป็นสมุทยัยพอออกข้างนอกมันจะเกิดความอยากขึ้นมาเอาคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็อยากจะทําอยากจะดูอยากจะฟังอยากจะได้ถ้าเดินใจเข้าข้างในพอใจสงบความอยากมันก็ไม่เกิดขึ้นมามีแต่ความว่างมีแต่ความสงบ มีแต่ความเย็นความสบายความอิ่มความพอมีอยู่ในตัวของเราแล้วทุกอย่างพร้อมบริบรูรณเราหลงไปหาความทุกข์เข้ามาเองถ้าเราอยู่บ้านได้อยู่เก็บเนื้อเก็บตัวเก็บใจไว้ข้างในได้ไม่ส่งออกข้างนอกแสนจะสุขแสนจะสบายไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการไปแสวงหาเงินหาทองทำงานทำการถ้าเป็นแทบตาย แล้วก็ต้องเหน็เหนือยกับการใช้เงินใช้ทองแล้วก็ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการดูแลรักษาสมบัติข้าวของ ต, งต่างๆที่หามาได้แล้วก็ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเวลาที่ต้องสูญเสียสิ่ง ต, งต่างๆที่หามาได้นี่คือเป็นผลของการทำตามอภิชาปฏิยาสังขารนาะทำตาความคิดของอภิชา วิชาสังคิต ก, ก็จะคิดแท้เราออกไปข้างนอกมาหาสิ่งต่างๆเข้ามามาเป็นสมบัติแล้วก็มาเป็นกองทุกมาเป็นภาระให้เราต้องคอยว้าวุ่นกันวงวลห่วงใยเสีย อ, อกเสียใจเวลาที่ต้องสูญเสียไปแล้วก็นอาสูญเสียกันด้วยกันทุกคนตอน สังขาร่างกายนี้มันไม่จีรังถาวรมันไม่อยู่ไปตลอดสมบัติก็บางทีก็ไม่อยู่ไปตลอดเหมือนกันบางทีมันจากเราไปก่อนที่เราตายก็มีบางทีเราก็จากมันไปก่อนแต่ที่แน่ๆก็คือต้องมีการพัดพลาดจากกันเป็นธรรมดาถ้ามีน้อยก็จะทุกน้อยหรือว่าถ้ามีมีความยึดติดน้อยก็จะทุกน้อย ถึงแม้ถ้ามีมากถ้าไม่ยึดไม่ติดก็ไม่ทุกข์นะเช่นหัวตาถ้ามีสมบัติเป็นเป็นพันเป็นหมื่นล้านท่านไม่ยึดไม่ติดะท่านได้มาท่านก็ท่าน ก, ก็ปล่อยออกไป ท, ทันทีไม่เก็บเอาไว้ให้เป็นภาระทางหน้าจิตใจออกไปทําประโยชน์ดังนั้นถ้าเกิดเป็นบุญวาสนาของเรา ท, ทั้งที่เราก็ไม่อยากจะได้ แตม่มันมาหาเราอยู่เรื่อยๆเราก็อย่าไปวิตอย่าไปติดอย่าไปห่วงพยาเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วเราจะเกิดความสุขเกิดความอิอ่มอกใจเกิดความพอใจถ้าเราเก็บไว้เราก็จะวิ่งไล่เราจะให้ใครดีคนนั้นมาขอกนนี้มาขอก็ลำ่านใจถ้าให้เปหมดแล้วก็ไม่มีให้ ใครมาขอกลบอมหมดแล้วใช่หวดแล้วเพรางั้นเราถึงต้องให้ธรรมะเป็นผู้พาเราคิดพาเราพูดพาเราทําที่เราจะมีธรรมะได้ก็ต้องเกิดจากการศึกษาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นําออกมาคิดอยู่เรื่อยๆไม่ใชยฟังแล้วก็เสร็จแล้วก็ผ่านไป กี่รอบมันก็จะไม่ติดอยู่ในใจวิธีที่จะทำให้มันติดอยู่กับในใจเราก็คือเราต้องเอามาคิดต่อคิดอยู่เรื่อยๆคิดแล้วก็นาออกไปทำเรือยสิ่างไรที่เราทาได้เราก็ทำเช่นเราคิดคิดทำบุญทำทานเรามีอะไรพกที่เราจะทำาได้ก็ทำไปให้ไปสิ่งนี้เราก็รักษาไปภาวนาเราก็ทำไปถ้ามีการคิดแล้วมีการกระทา ไปด้มันก็จะตอกย้ําให้ธรรมะนี้ฝังลึกเข้าไปในใจของเราจนถึงวันหนึ่งมันจะไม่ต้องไปต่อกย้ำเหมือนไม่ต้องไปคิดถึงมันเพราะมันจะคิดโดยอัตโนมัติโดยตลอดเวลามันจะคิดทุกครั้งมันจะคิดว่ามันเป็นธรรมหรืเป็นกินเลสเสมอถ้ามีธรรมะแล้วมันจะมีฝ่ายค้านในรัตตสตามันจะไม่มีพฤติการ ถ้าขาดธรรมะแล้วก็จะมีแต่กิเลสสังการอย่างเดียวคนที่มีโรคโมโทสันมากก็แสดงว่า ม, ามีไม่มีธรรมะกิเลสจะสั่งการได้เต็มที่เลยทุกการย่างก้าวของความคิดนี้จะออกไปทางกิเลสทั้งนั้นคิดแต่จะเอาจะได้อย่างเดียวจะหาความสุขจากภายนอกแล้วก็ต้องมาทุกมาวุ่นวายใจ เวลาที่ไม่ได้ได้ดังใจหรือเวลาที่ต้องสูญเสียสิ่งที่หามาได้เช่นในยามที่เศรษฐกิจตกต่ํารายได้เข้าน้อยรายจ่ายออกมากก็ไม่ฉลาดคิดเท่าไหร่ถ้ามันเข้าน้อยก็ให้มันออกน้อยมันก็หมดปัญหาไปแต่มันออกมันเคยออกเท่าไหร่มันจะไม่ออกน้อยมันมีแต่อยากจะออกมากกิลเลสกันอย่างนี้มันชอบใช้มาก ใช้แล้วในเวลาต้องให้ใช้น้อยแล้วมันอึดอัดมันทุกข์มันไม่สบายใจแต่คามจริงเมื่อก่อนนี้เราก็ใช้น้อยแล้วก็อยู่ได้สมัยเราเป็นเด็กๆนี่เราใช้วันละสิบาทแล้วก็อยู่ได้มีค่าขนมเราก็อยู่ได้แต่พอเราโตขึ้นมีรายได้มากขึ้นเราก็เลยใช้มากขึ้นพอใช้แล้วก็ติดเป็นนิสัยไปไปใช้ของราคาอย่างนี้ ยี่ห้ออย่างนี้แล้วต้องาใช้ของที่ราคาต่ำกว่านี้ยี่ห้ออย่างอีกอย่างนึงก็ใช้ไม่ได้จนไม่ลงความจนไม่ลงนี่เป็นเหตุที่ทําให้เราทุกข์ถ้าเราจนลงแล้วเราจะไม่ทุกข์เราจะปรับตัวเราเหมือนกับเรือที่จะขึ้นลงตามระดับน้ําน้ําขึ้นเหลือก็ลอยขึ้นตามน้ําน้ําลงมันก็ลอยลงตามน้ําไม่มีปัญหาอะไร คนเวลาจะลงจากเรือก็ไม่ไม่ลําบากเพราะน้ํากับเรือมันอยู่ติดกันเสมอไม่เหมือนกับท่านา้ําบางแห่งที่มันไม่ลอยขึ้นลอยลงกับน้ําเวลาน้ําขึ้นก็น้ําก็อยู่ถึงบันถึงบันไดเลยพอเวลน้ําลงนึ่งโอ้โหนมันอยู่ห่างจาก บ, บันไดต้องหลายก้าวจะลงไปก็ต้องกระโดดลงไปในน้ำํำ ใันดใจของเราก็เป็นอย่างนั้นถ้าใจยึดติดมันก็จะเป็นเหมือนกับท่าน้าที่มันไม่ลอยขึ้นลอยลงตามน้ำถ้าจะทํมันไม่ยึดติดมันก็จะเป็นเหมือนกับเรือเวลาขึ้นเหมือนก็ขึ้นเวลาลงมันก็ลงเวลามีมากถ้าอยากจะใช้มากก็ใช้ไปจะใช้อย่างไรก็ได้แต่คนฉลาดก็ไม่จะไม่เอาไปใช้ในทางที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่ใช้กับของฟุ่มเฟือยไม่ใช้กับการเลี้ยงดูกิเลส เช่นหาความสุขทางตาหูจมูกเลี้นกายถ้าใช้แบบนี้แล้วมันจะติดมันจะลบมันจะลบยากมันเป็นเหมือนยาเสพติดพอได้เสพแล้วมันจะต้องเสพอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าใช้แบบคนฉลาดคือมีมากก็ทําบุญมากมีน้อยก็ทําบุญน้อยอย่างนี้ไม่เดือดร้อนเวลามีเงินน้อยทำเน้อยก็ไม่รู้สึกเสียใจเวลามีเงินมาก ทำบุญมากก็ไม่รู้สึกเสียใจเสียดายทำไปตามตามที่มีคือเงินที่เป็นส่วนเกินส่วนที่จำเป็นเราก็เก็บเอาไวนะ้แล้วส่วนที่เหลือส่วนที่เกินนี้เราก็เอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์เพราะนั้นใจของเราต้องไม่ยึดติดกับฐานะของเราเพราะฐานะของเรานี่มันขึ้นลงมันไม่แน่นอน มันขึ้นมันขึ้นอยู่กับเหตุกับปัจจัยหลายอย่างทางด้านภายนอกถ้าเราฉลาดเรามีมากเราก็ควรที่จะเก็บสำรองไว้เผื่อเวลาวันที่มันมีน้อยเราก็จะได้เอาส่วนที่สำรองนี้มาทุนเจือได้แต่ก็ต้องระมัดระวังการใช้จา่ายอย่าไปใช้กับสิ่งที่มันฟุ่มเฟือยสิ่งที่มันไม่จาเป็น เพราะมันเป็นเหมือนยาเสพติดใช้แล้วมันติดแต่ถ้าสิ่งที่มันจําเป็นนี่ใช้แล้วมันไม่ติดใช้เท่าที่จําเป็น <c oughs> แล้วก็ใช้แบบค่ว่าประโยชนมัธยัตไม่จําเป็นจะต้องมีราคาแพงเราเล็งอยู่ที่ประโยชน์ของสิ่งที่เราต้องการจะมาใช้อาหารจะราคาแพงหรือราคาถูก ถ้ามันรับประทานเข้าไปแล้วทำให้อิ่มแล้วไม่เจ็บไข้ได้ป่วย mm hmm. ก็ถือว่าทำประโยชน์ได้เหมือนกันงั้นคนฉลาดก็จะเสียเงินน้อยซื้ออาหารเสียเงินน้อยมาซื้ออาหารมารับประทานคนโง่ก็จะเสียเงินมากไปซื้ออาหารที่แพงๆมารับประทานว่าประโยชน์ที่ได้รับก็เท่ากันคือความอิ่มเหมือนกันแล้วก็ผ่านไป งั้นถ้าเราติดอยู่กับการใช้เงินแบบประหยัดมัธยัติเราก็จะมีเงินเหลือเยอะเราก็สามารถที่จะมีเงินไว้ดูแลเราในในยามที่มันคับขันในยามที่เราตกทุกข์ได้ยากได้ไม่เหลือน้อยนี่คือการคิดแบบธรรมะธรรมะภานคิดจะมักน้อยสัมโดดมีเป็นพื้นพื้นของธรรมะเลย กาำเนินชี่ินี้ขอให้เราคำนึงเป็นคำว่ามักน้อยสำโดดแต่ในสมัยปัจจุบันก็ใช้คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงมันก็มาจากมักน้อยสำโดดอันนี้อย่าฟุ่มเฟือยอย่าใช้เงินไปกับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์เป็นอย่างนี้นะเล่นพยามเวลาคิดนี้ขอให้เราคิดตามธรรมะ ถ้ามีธรรมะน้อยก็พยายามศึกษาปฏิบัติให้มากมากขึ้นฟังให้มากขึ้นแล้วก็เอาไปทบทวนเอาไปพิจารณาข้าเวเคืองอยู่เรื่อยๆถ้าจะให้ดีก็อยู่ใกล้คนที่มีธรรมะบ้างก็ดีอยู่แบบคนที่ก็มีธรรมะเช่นเราไปอยู่วัดมี่ประหยัดได้มากเลยเสื้อผ้าก็แบบเรีย บ, ยบง่ายๆเครื่องสำอางนี้ก็ไม่ต้องเอาไปเลย น้ำผงน้ำหอมอะไรต่างๆไม่ต้องใช้เลยแล้วรับประทานอาหารก็แบบ ง, ง่ายๆตามมีตามเกิดวันเวลาก็ทุ่มเทไปกับการสร้างความสุขภายในจิตใจโดยการเจริญสติอยู่ตลอดเวลาโดยการกำหนดจิตให้สงบนิ่งโดยการพิจารณาธรรมต่างๆ เพื่อคลายความหลงความยึดติ์พิจารณาให้เห็นว่าร่างกายเป็นเป็นเพียงแต่ภาชนะเป็นเพียงแต่เป็นเครื่องมือเป็นรถยนต์คันหนึ่งที่ใจอาศัยใช้ทำภารกิจต่างๆถ้าใจฉลาดก็จะเอาร่างกายนี้มาสร้างธรรมะให้มีมากยิ่งขึ้นสร้างบุญสร้างกุศลให้มีมากยิ่งขึ้น ถ้าใจงโง่ก็จะไปสร้างกิเลสให้มีมากขึ้นขึ้นสร้างความโลภความโกรธความหลงให้มีมากขึ้นขึ้นแต่ถ้าได้อยู่ใกล้ชิดกับคนฉลาดก็จะได้ประโยชน์เพราะท่านจะรู้จักใช้ร่างกายนี้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดให้เกิดธรรมะขึ้นมาในจิตในใจเพื่อจะได้ตัดความโลภความโกรธความหลงกำจัดความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในจิตในใจให้หายหมดไป ไม่มีอะไรนองเหลืออยู่เลยในเรื่องของความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความหวาดยิ่ตกความกลัวความกังวลจะไม่มีอยู่ในจิตในใจอะไรจะเกิดก็เกิดไปไเพราะาไม่มีอะไรจะมากระทบกับจิตใจได้แม้แต่ระเ บ, บิดนิวเคลียร์ก็ไม่สามารถมาทำลายจิตใจได้ทำได้ก็แต่เพียงร่างกายร่างกายไม่ต้องมีนิวเคลียร์มันก็ตายได้อยู่เฉยไม่หายใจมันก็ตายแล้ว ทำยังไงมันก็รักษาร่างการนี้ไปไม่ได้ตลอดใจก็จะไม่ไปกังวลไม่ไปหว่วงไม่เสียดายถึงเวลาจะให้มันไปก็ไปเลยเอาไปเลยหยุดหายใจมันเพียงช่วงวับเดียวนะความตายพอไม่หายใจรับมันก็ตายนะถ้ายังหายใจอยู่มันก็ยังไม่ตายเห็นไมมันจะไปกลัวอะไรไม่มีอะไรกลัว ใจก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็รู้อยู่ทุกขณะรู้ว่าขณะนี้กำลังหายใจรู้ว่าขณะนี้ไม่หายใจแล้วก็เท่านั้นเองไม่หายใจก็เห็นเป็นหลายใจไม่ได้ไม่ได้อาศัยร่างกายนี้อยู่ใจอยู่ตามลำพังได้ <c oughs> ใจอยู่ในความสงบก็ปลอดภัยไม่มีความทุกข์ไม่มีความกระวนกระวายไม่มีความกระสับกระส่าย ไม่มีความว้าวุ่นขุ่นงันี่หละเป็นอนิสงค์ของการมีมีธรรมะมีมีปัญญามีผู้รู้เป็นสหธรรมิกาเป็นเพื่อนเป็นกันเลยานิดเป็นครูบาอาจารย์ถ้าเราได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมะอยู่กับใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์แล้วจิตใจของเราก็จะมีแต่จ ะ, จะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆ จะปล่อยวางสิ่งต่างๆได้ไปเรื่อยๆปล่อยวางไปตามลําดับปล่อยวางกายได้ปล่อยวางเวทนาได้เวทนาจะสุขจะทุกข์จะไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่เดือดร้อนรับได้ทั้ง3าสาชนิดไม่เหมือนเราขณะนี้ที่เรารับได้เพียงชนิดเดียวคือความสุขทุกข์แล้วก็วุ่นวายถ้าไม่สุขไม่ทุกข์ก็ก็เบื่อนายต้องหาอะไรมาให้เกิดความสุขขึ้นมา แล้วก็ไปหาความทุกข์เข้ามาแทนเพราะหาไม่เป็นหาความสุขไม่เป็นหความสุขกลัไปแทนที่จะหาความสุขก็ับไปหาความสุขที่มีความทุกข์ซ่อนอยู่ไปเป็นความสุขที่เป็นเหมือนน้ำตาลเคลือบอยู่พอได้สัมผัสพอได้อมไปสักครั้งน้ำตาลละลายหมดก็เหลือแต่ความขมความสุขที่เราได้จากการ ายจากสินทางๆานี่มันก็เป็นอย่างนั้นเวลาได้มาใหม่ๆก็โอ้โหสุขดี อ, อกดีใจก็เรียกอะไรน้ำพึ่งเลยพอ อ, อ, ออยู่บปนสักพักนึง เ, เดี๋ยวก็ทะเลาะ ก, กันละแล้วก็มีปัญหามีเรื่องมราวต่างๆเด๋ยน้ำพึ่งอะน้ำพึ่งพระจันทรนไปไปดื่มน้ำพึ่งพระจัน <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าถ้าความสุดทางทางธรรมะนี่มันจะทุกหน่อยในเบื้องต้นมันเป็นเหมือนทุเรียนกว่าจะได้กินเนื้อมันเหนื่อยหน่อยมันต้องปอกเปลือกทุเรียนนี้มันลาบากเลยมีทั้งน้ำมีทั้งอะไรแต่พอเปลือกพอแกะมันออกมาได้แล้วโอ้โหมีของวิเศษอยู่ข้างในธรรมะก็เป็นอย่างนั้นกว่าจะได้ธรรมะนี้โอ้โหมือตาแทบก็เด่น เราต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆนะันาะต่อสู้กับกิเลสทั้งของเราและทั้งของคนอื่นบางทีเราจะปฏิบัติธรรมกิเลสของคนอื่นมันก็ยังมาขวางเราได้ทั้งที่เราก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยแต่เขาก็ยังอดมาห่วงไม่ได้มากังวลไม่ได้ว่าจะไปไหวหรือเปล่าจะไปตลอดรอดฝังหรือเป่าจะไปเป็นบ้าหรือเปล่า <c oughs> โอ้โอะไรต่าง ๆ, ๆนะนันนะมันจะปฏิบัติธรรมอย่ไปให้คนอื่นรู้ เ่องมากนะพยายามปฏิบัติแบบ <c oughs> เงียบๆดีกว่าไปวัดของเราก็ไปเงียบๆถ้าไปคนเดียวได้ยิ่งดีหรือถ้าไปไปให้น้อยไปกับคนที่มี ม, มีมีรสนิยมเหมือนกันชอบไปเหมือนกันมาแล้วไม่วุ่นวายไปถึงก็ต่างคนต่างแยกกันอยูต่างคนต่างบำเพ็ญกันไป ไม่ uhm. ใช่ไปแล้วเกาะติดกันเป็นแบบปลาท่องโก้ตอนคืนคนหนึ่งจะเข้าห้องน้าคนหนึ่งก็ต้องไปนั่งเฝ้าหน้าพิ้งานร่างปฏิบัติทางต้องกล้าหาญตอนเจริญอนิจจังทุกข์งานั้ตายมากร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่ที่ไานมันตายแล้ทั้งนั้นเนี่ อยู่ในป่าก็ตายได้อยู่ในบ้านก็ตายได้อยู่ในโรงพยาบาลก็ตายได้มันไม่ได้อยู่ที่สถานที่มันอยู่ถึงที่มันถึงที่เมือนน่อไหมันก็ตายทันทีแต่ยังไม่ถึงที่อยู่ที่ไหนมันก็ไม่ตายเนะี่ยครขอให้เราพยายามเจริญธรรมะให้มากปลุกฝัขขงธรรมะให้มากแล้วให้ธรรมะเป็นผู้พาเราไป อย่างที่มาทํากันอย่างนี้ก็เป็นการปลูกฝังธรรมะเข้าหาครูบาอาจารย์ฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็ทำบุญไปด้วยปฏิบัติไปด้วยไม่ใช่แต่ฟังอย่างเดียวฟังอย่างเดียวก็ยังไม่พอฟังแล้วก็ต้องนําไปปฏิบัติมันถึงจะฝังอยู่ในใจถ้าฟังแล้วเดี๋ยวไม่นานมันก็ลืมพอเราไปทําธุรกิจอย่างอื่นภารกิจอย่างเองมันก็ไม่ได้อยู่ในใจเราเรื่องอื่นก็มันก็มามาครู้ มาทับถมเหมือนกับเท็ที่เราอัดไว้พอเราไปอัดของหม่เข้ามาของเก่าที่เราอัดไว้หนึ่งก็ถูกหายไปแล้วนั่นเราต้องคอยอัดธรรมะเข้าไปเรื่อยๆเวลาไปทําภา ร, รกิจทางโลกก็ต้องมีธรรมะคอยควบคุมไปด้วยคิดควบคู่ไปด้วยว่าเราทําเฉพาะกิจเนะี่ยทำเพราะมันจาเป็นทำเพราะเราต้องมีรายได้เมื่อตื่นเจือชีวิตของเรา แต่เราจะไม่ทําเพื่อความสุขจะไม่ทําเพื่อความเพื่อราบเพื่อยศเพื่อสลรเสริญเราจะทําเพียงแต่เพื่อให้ได้มีปัจจัยสี่เพื่อเราจะได้เอาร่างกายนี้เอาชีวิตนี้มาบําเพ็ญบุญบาเพ็ญกุศลต่อไปก็คิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหลงพอมันได้แล้วมันจะหลงหลงระเริงอยากจะด้มากขึ้นพอได้ร้านหนึ่งก็อยากจะได้สิบร้าน ได้สิบล้านก็โอ้นี่ต้องว้อยล้าแลนะ้วท้าทายไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นงาบอกว่าเราเราทากิจต่างๆนี้ก็เพื่อที่จะได้มีร่างกายนี้มีกำลังวังชามีเครื่องสนับสนุนให้เราได้มาทำภารกิจที่แท้จริงก็คือการสร้างธรรมะสร้างบุญสร้างกุศลให้กับจิตใจ เพาจิตใจของเราจะเจริญได้จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้จะไปถึงพันธุ์ผานได้ก็ต้องมีบุญกุศล ม, มีธรรมะ น, นีธรรมะที่จะทำให้ไปได้และไม่มีใครทำแทนเราได้บางคนต่ต้องทำแทนกันต้องทำด้วยดวย้วเองคนอื่นทำแทนไม่ได้นั้นอย่าไปเสียเวลามากกับการหาสัพารกิจอย่างอื่นเสียเท่าที่จำเป็นเสียเวลาเท่าที่จำเป็นทาแล้วก็ ต้องรีบเอาเวลาที่เหลืออยู่นี่มาสร้างบุญสร้างขุดสงสร้างธรรมะเพราะเวลามันจะมีน้อยลงไปเรื่อยๆไม่ใช่มีมากขึ้นชีวิตของเราเป็นเหมือนเทียนเวลาจุดแล้วมันไม่มีมันจะไม่ขยายยาวขึ้นไปมันมีแต่จะสั้านลงไปเรื่อยๆเราเกิดมาแล้วนี้เราก็เริ่มนับถอยหลังกันนะตั้งแต่มันเกิดนี่เราก็เริ่มนับถอยหลังนะ้นอย่าปล่อยให้เวลา ที่มีคุณค่าของมนุษย์ของชีวิตของมนุษย์นี้ผ่านไปพามนุษย์นี้เท่านั้นที่จะสามารถบำเพ็ญบุญบุศนสร้างธรรมะให้ได้อย่างเต็มที่เพาราะบุญเจ้าอื่นทำไม่ได้ถ้ายิ่งได้มาเจอก็ทำคํ า, าสอนของพระพุทธเจ้ายิ่งเป็นเหมือนกับได้ได้เดินทางรักไม่ต้องไปค้าหาทางเ่งมีแผนที่บอกทางมีป้ายบอกทาง เพียงแต่รีบๆเดินไปตามแผนที่ตามป้ายที่บอกไม่นานก็จะถึงจุดหมายปลายทางอย่าไปเสียเวลากับกิจอย่างอื่นทํากิจอย่างนี้ให้เสร็จก่อนนี่แหละคือภารกิจของเราภารกิจจําเป็นอย่างยิ่งคนอื่นทำแทางงานเราไม่ได้ถ้าทําภารกิจนี้ไม่เสร็จมันก็จะไม่เสร็จภารกิจอื่นจะทํามากน้อยเท่าไหรก็มันก็ไม่สําคัญอะไร มันไม่ได้มาทำให้ภารกิจนี้เสร็จสิ้นไปได้คือการการตัดทบตัดชาติการการสิ้นสุดของการยืนร่ายตางเกิดนี้ต้องเกิดจากการปฏิบัติของเราโดยการสร้างบุญสร้างคุสมสร้างธรรมะธรรมนจึงขอให้เราตงรงนพยามาบังคับใจเราให้มาทางนี้ ให้มากที่สุดเท่าที่ะมากได้อย่าปล่อยให้นั้นไหลไปตามอารมณ์อยากมาก็มาไม่อยากมาก็ไม่มาอยากจะนั่งก็นั่งไม่อยากจะนั่งก็ไม่นั่งอย่างนี้ก็จะไปไม่ถึงไหนต้องรู้ว่าต้องนั่งเรามีหน้าที่นั่งสมาธิเรามีหน้าที่พิจารณาธรรมเรามีหน้าที่รักษาศีลเรามีหน้าที่ทำบุญให้ทางนี่เป็นหน้าที่ของเราต้องทำอยู่ทุกวัน ต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งพอเราทำได้ทุกวันทุกเวลาชการเจริญสตินี้ก็เจริญได้ตลอดเวลาเพียงแต่ให้จิตอยู่ในปัจจุบันไม่ให้ไปคิดเรื่องต่างๆในอดีตหรือในอนาคตให้อยู่ที่ปัจจุบันนี้ก็ถือว่าได้ภาวนาแล้เป็นการควบคุมใจถ้าเราควบคุมใจได้เราก็จะสามารถบังคับให้ใจคิดไปในทางที่ละที่เขาจะเล่าสอนให้คิดได้ ก็ไปในทางน้ํากิเลสมันก็ตายหมดพอตายหมดมันก็ไม่มีความทุกมามาลัมารังควานใจมารกวานใจก็จะอยู่อย่างบรมสุขปรามังสุขขังไปตลอดเวลาไม่ต้องรอตายถึงจะไปถึงวันนิพพานเพราะนิพพานนี้คือการสิ้นสุดของความทุกข์ทังท้งหลายการดับของกิเลสทั้งปวงไม่ได้ดับตอนที่ตายดับตานก่อนตาย พระพุทธเจ้าฝ้าหลอนถวายนี้ตัดทะลุก่อนตายทั้งนั้นไม่ได้ไปตัดทะลุตอนตายแม้กระทั่งจะถูกเสือฆาาก่อนจะตายก็บรรลุก่อนตายไม่ได้ตายไม่ได้บรรลุหลังตายมันอย่าไปคิดว่ารอร อ, อตายแล้วเราค่อยบรรลุค่อยปฏิบัติต้องปฏิบัติตั้งแต่วันนี้ประปฏิบัติได้มากเท่าไหร่ได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งได้สบายขึ้นมากขึ้นเท่านั้น ถ้ามืแต่พัดวันประการสุ no ่งมันก็รอเราอยู่ดั้งงานนมันก็รอเราอยู่นั้นหันไปที่ไรก็เห็นว่าต้องนั่งสมาธิแล้วต้องเดินจงกลมอยู่แล้วถ้าไม่ริดทํำสิทําให้มันติดเป็นนิสัยทําให้จนกลายเป็นสิ่งที่เราชอบทํามันก็จะเป็นสิ่งที่คอยรังังความใจเราอยู่เรื่อยพอเห็นที่ไรก็รู้สึกเดือดต้องนั่งสมาธิแล้วต้องเดินจงกลมอีกแล้ว แต่ถาเรานั่งไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆจนติดกันิสันี้มันเห็นแล้วมันไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้วนิสัยจะหาเวลานั่งให้มากเดินให้มากอยู่เรื่อยๆแล้วก็ขอให้เราบุมาณะอดทนภาคเพียรความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นไม่ได้อยู่ที่ใครไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่ครูบาอาจารย์อยู่ที่ตัวเรา อัตราที่อัตโนมัลถูตนเป็นที่พื่งของตนด้วยความภาคเพียงประพฤติตบตัดตามพระธรรมคำสอนของพงออระพุทธเจ้านัีน่ก่ <c oughs> อนชอบการเรียนนะครับพอไม่เก่งค่ะงานได้ที่จะเป็นเด็กรูปเรียนเมื่อพอไปแล้ว ไม่มีลไม่มีเไม่มีกินเดี๋ยวทุอเรียนกวนถ้ามีก็พวกเราก็ไปกันถึงไหนกันหมดแล้ไม่มีมันต้องปอกกันทุกคนต้องปอกเองไม่มีใครปลอกแทนเราได้ถ้าพระพเจ้าท่านปลอกให้เราได้พวกเราก็ไปถึงไหนกันละ อาจารย์ท่านบอกให้เราได้เราก็ไปอ้าปากครับก็ต้องไปดูเขาไปเรียนวิธีบอกเนแล้วเราก็ต้องไปลอกของเราเองเพราะมันอยู่ในใจเรามันไม่ได้อยู่ที่อื่นแต่ถ้ามันเป็นของอย่างอื่นคนอื่นก็จะต้บอกให้เราได้ เหมือนกับเราสอนลูกเราเนี่ยมันก็ย้อกลับมาที่ตรงนั้นเนี่ยสอนมันยังไงมันก็ไม่เป็นไปตาม ท, ที่เราอยากให้มันเป็นมาท่านจารย์พูดเนี่ยกลนหัวล้อเยาะอยู่ท่บอาจรย์คะพอดีได้มีโอกาสหยุด ง, งานสีห้าวันนะคะก็เลยปฏิบัติธรรมช่วงสองวันแรกก็ นั่งฟังเทศแล้วก็สลับนั่งสมาธิก็รู้สึกว่าจิตใจสงบดีพอวันที่สามก็เริ่มรู้สึกเบือ่อค่ะแล้วก็เบือ่อขึ้นเรื่อยๆพอวันที่สี่ก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันหดหูเศร้าหมองแล้วก็รู้สึกเหมือนกับเสียดยกิเลสแล้วค่ ะ, คะก็เลยไม่แน่ใจว่าทําอะไรผิดหรือเป่าเราไม่ผิดหรอกมันเป็นธรรมชาติของของใจเป็นอย่างนั้นเวลาที่ทํำลายใหม่ๆมันจะมีความตื่นรุนล้นศรัทธาแรง ทีพอทำไปแล้วทไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะอ่อนลงอ่อนลงไปถ้าไม่ได้เห็นผลที่แบบ <c oughs> แบบอะรแบบมหัศจรรย์มันก็จะค่อยๆท้อเพิ่มมากขึ้นเหนื่อยมากขึ้นกิเลสมันก็มีแรงมากขึ้นมากขึ้นมันจะเป็นความรู้สึกเศร้าใจก็อย่างนั้นอ่ะกิเลสมันก็เริ่มออกมาอล้วาดมากขึ้น ควเศร้าหมองี่เลยก็คือตัวเศร้าหมองเนี่ยมันเคยได้ริมรดความสุขที่เคยเคยมีอยู่แต่พอมาอยู่วัดแล้วมันไม่ได้ริมรดความสุขแบบนั้นในช่วงสองวันแรกเราไม่เราไม่ค่อยเราเราคล้างว่าเราทุ่มเท ต, ต่อการภาวนาเรามีความกระตือรือร้นรเพราะเราตอนนั้นศรัทธาแรงนี่พอทําไปทาำไปแล้วมันก็เกิดความจําเจขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้เห็นผลแบบ ทางตาเห็นก็เลยไม่มีอะไรที่จะมามาเพิ่มเชื้อเพิ่มกําลังใจงให้เกิดขึ้นเราก็ต้องพยายามย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นที่เราก่อนที่วันที่เราจะมาว่าเราเราเกิดประกายขึ้นมาอย่างไงแล้วก็พยายามกลับไปคิดแบบนั้นใหม่เพื่อจะจุดประกายให้มันเกิดขึ้น ม, มันหมือนว่าออโอกาสที่เราจะมาปฏิบัติธรรมนี่มันมีน้อยนะมี่เราได้มาปฏิบัติแล้วสองวันแล้วดีอยู่ วันที่สามมันก็มันก็เริ่มเริ่ ม, เ ร, มเริ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เป็นเหมือนกับการเดินทางหรือการวิ่งระยะทางไกลใหม่มใหม่กำลังวังชามันดีมันก็ไม่เหนื่อยแต่พอวิ่งไปนานเข้านานเข้ า, ขามันก็เหนื่อยเราก็ต้องปลุกกําลังวังชาขึ้นมาใหม่อาจจะนั่งทบทวนแล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ส่วนหนึ่งก็คือ เราเผลอไปสติของเราไม่ได้อยู่กับการภาวนาเราค่อยๆเหมือนกับว่าเราเปิดช่องให้กิเลสมันเข้ามาลบลบกวนจิตใจเราถ้าเราควบคุมสติของเราไว้อยู่เรื่อยๆให้อยู่กับพุโทโธให้อยู่กับการภาวนากิเลสมันก็จะเข้ามายากแล้วมันก็จะสามารถบำเพ็ญต่อไปได้ มันเกิดคำถามคือพอวันท้ายๆอาจจะเริ่มอาจจะเริ่มไม่นิ่งอย่างที่ท่านอาจารย์พูดแล้วก็เริ่มเริ่มถามว่าจริงๆเราอยากจะละกิเลสจริงๆหรือเปล่านั่นไงกิเลสมันออกมาแล้วก็ไปมันต้องไปก็ตั้งใจจะไปละกิเลสแล้วพอไปถึงกิเลสมันก็มีมีสงสัยคล้าๆมันมีอุบายที่จะล้มความตั้งใจของเราสร้างความลังเลสงสารให้เกิดขึ้น นี่ก็เป็นหนึ่งในนิวรณการปฏิบัตินี้มีนิวรณอยู่5้าชนิดด้วยกันควาลังเล่สงสัยเป็นหนึ่งแลความความยินดีในในรูปสิ่งกิตติลดโภตตภะคือกรมฉัมทะคือพอมาอดข้าวเย็นมาอดดูโทรทัศน์อดอะไรขึ้นมานี่มันก็ทักจะรู้สึกหิวขึ้นมาละอยากจะดูหนังอยากจะฟังเพลงอยากจะทําอะไรตอนที่เคยทำอยู่ ถ้ามันเกิดขึ้นนี้มันก็จะทําให้ไม่มีกําลังใจที่จะภาวนาที่จะปฏิบัติเราก็ต้องพยายามหาวิธีกําจัดมันให้ได้เช่นพิจารณาให้เห็นโทษของมันว่ามันเป็นความสุขแบบแบบยาขมเครืองน้ำตาลเป็นเหมือนยาเสพติดเลิกมันได้จะดีกว่าถ้าเราคิดอย่างนี้ได้เราก็จะมีกําลังใจที่จะ ต่อต้านความรู้สึกที่อยากจะไปหาความสุขแบบนั้นอีกแล้วก็บังคับอ่ะเข้าเดินเข้าทางจงกรมต่อเดินจงกรมต่อไปอีกชั่วโมงห น, นึ่งนั่งสมาธิอีกชั่วโมงห น, นึ่งอ่านหนังสือเล่มลึกฟังเทศอีกชั่วโมงหนึง่ทงทําไปเยอะๆแล้วเดี๋ยวถ้ามันมั น, ม, นมันมีสเตจอยู่กับการปฏิบัติมันก็จะมีความสงบมีความสบายบเบาบางลงไป ความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆความเศร้าหมอง <c oughs> ก็จะเบาบางลงไปเราก็จะเห็นว่า อ, อ่อนี่แหละมันเป็นการต่อสู้กันระหว่างธรรมกับกิเลสที่มีอยู่ในใจเราถ้าเวลาใดที่เราเกิดความเศร้าหมอง <c oughs> เกิดความเบื่อหน่ายนี่แสดงว่าธรรมของเรากําลังอ่อนตติ <c oughs> อ่อนเราไม่เฝ้าดูใจของเราแล้วปล่อยให้ใจเราไปคิดเรื่องที่ทําให้เกิดความเศร้าหมองขึ้นมา เราก็ต้องรับรับความคิดเหล่านั้นหันเข้ามาบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปก็ได้เลือกพิจารณาทำทำทำทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราเคยถนัดพิจารณาก็พิจารณาไปก็ได้เช่นพิจารณาความแก่ความตายว่าชีวิตของเรากล้ความแก่เข้าไปเรื่ อ, อยๆกล้ความตายก็ไปเรื่ อ, อยๆเราแล้วหลังต่อไปเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะไปหาความสุขแบบนั้นอยู่ดีแล้วตอนนั้นเราจะจะทุกข์ยิ่งกว่าตอนนี้ พ่าตอนนี้เรายังมีโอกาสที่เราจะสร้างธรรมะเพื่อมามาต่อสู้มาทำลายความทุกข์ที่เกิดจากความอยากของมันได้แต่ถ้าเราไม่ทำเสียแต่ตอนนี้ต่อไปเราแก่เราจะไม่มีอะไรไว้เป็นเครื่องมือต่อสู้กับมันาเราคิดอย่างนี้เราก็จะมีกำลังใจที่จ ะ, ะทนนั่งนั่งสมาธิต่อไปเดินจงกรมต่อไปอ่านฟังเทศน์ฟังธรรมต่อไปเราต้องหาวิธีปรุก ศรัทธาให้เกิดขึ้นอยู่ได้ว ย, วยท่านก็สาระลงที่เกิดความท้อแท้ให้รละลึกถึงครูบาอาจารย์ถึงพระพุทธเจ้าถึงการปฏิบัติของท่านว่าท่านก็ลำบากยากเย็นเหมือนกันทุกคนแต่ท่านไม่ถอยท่านไม่กลัวท่านเมื่อเดินหน้าแล้วท่านไม่มีความนังเหลือสงสัยต่อไป มีอยู่สองอย่างคนันถ้าพิเล็กไม่ตายเราก็ตายถ้าอย่างนี้แล้วมันก็ไม่มีทางถอยมีแต่เหมือนพระเจ้าตากสินที่ไปไปตีมูนจำให้ทุกมอข้าวทิ้งให้หมดเลย <c oughs> ถ้าไม่ชนะก็ไม่ต้องกินข้าวอด <c oughs> ยอมอดตายพอมันรู้ว่ามันมีทางเดียวที่เพื่อจะต้องสู้อย่างเดียวนะมันก็ชนะได้ล้วเราลังเลสงสายนี้มันก็ กล้ากลัวก ล, กลัวกล้ากลัวกลัวมันก็เลยไม่ได้ทุ่มเทเข้าไปเต็มที่ผลก็ไม่ปรากฏเอาไม่ผลไม่ปรากฏมันก็ยิ่งท้อใหญ่ยิ่งท้อก็ยิ่งยิ่งยิ่งอ่ อ, อนแอลงไปเรื่อยๆแล้ว ใ, ในที่สุดก็ยอมแพ้ไม่เอาดียป้ายังไม่อยากจะละทิ้งเลยใช่รางทีเรามีความรู้สึกว่าเรา เป็นการบังคับให้นั่งสมาธิมากกว่าความเต็มใจที่ตั้งใจใจะริงใช่ใช่ต้องบังคับถ้าไม่บังคับไม่มีทางที่จะนั่งอย่างเต็มใจหรอกย่ต้องต้นทุกคนต้องบังคับกันเั่านั้นมันไม่กินยาไม่มีใครอยากจะกินยาฉีดยาไม่มีใครอยากจะอยู่เฉยๆอยากจะฉีดยาหรอกแ่มันรู้ว่าถ้าไม่ฉีดมันไม่หายถ้ายานก็เป็นธรรมดาใช่ไหมต้องบังคับด้วยใชต้องมีมีกฎเกณฑ์ไงต้องมี เมื่อบังคับไปแล้วต่อไปมันก็จะติดเป็นนิสัยมังก็จะง่ายไปเองถ้าไม่ไม่บังคับลูกๆ ก, ก็ไม่ต้องไปโรงเรียนนะมาให้ลูกเลือกแต่ว่าลุงจะไปไโรงเรีย <nunca> นลุง ก, ก็หอกไม่ไปดีกว่า <puis> <c oughs> ต้องบังคับทุกคนนะแต่พระพุทธเจ้ตาตอนที่บำเพ็ญก็ต้องบังคับ จิตทีแยกออกจากกายได้ได้ในเวลาไหนได้ในเวลตายถ้ายังไม่ตายไม่ได้แยกแต่อาจจะสงบตัวลง <c oughs> แต่ก็ยังยั ง, ย, งยังติดอยู่กับกายไปเ <c oughs> ช่นคนที่เข้าชานแล้วร่างกายนิ่นงอยู่เป็นเวลาหลายวันเนี่ยจิตก็ยังอยู่อยู่กับร่างกายแล้วทำไมจิตแย่ออกจากกายเมื่อเวลาตาย ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นมันมันมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกันพอเหตุปัจจัยหนึ่งมันขาดไปเหมือนกันน้ำในขวดน้าเนี่ยมันอยู่ร่วมกันได้เพราะขวดน้ามันไม่แตกไงพอกวดน้ามันแตกมันรั่วมันอยู่ด้วยกันได้แล้วป่ะเจ็บจัง แต่นี้ลูกคนพิจนารณาดูเราก็คิดอยู่แต่ก็บางทีไม่เหมือนคนคิดในนี้ขึ้นลูกเห็นอยู่เหมือนกันว่าจิตกับกายเนี่ยมันคนละส่วนกันแต่มีความสงสัยอยู่ว่าจิตที่บับงคับเนี่ยมันอาศัยพลังจากจิตใช่ไหมคะในการบังคับกายทำตรงทำนี้ได้เพราะจริงๆแล้วมันก็ต่างคนต่างอยู่ที่ที่มันไปบังคับกายได้เพราะศิษยเพราะสิ่งไรที่มันถึงบังคับได้คือกายมันก็มีกําลังของมันอยู่ส่วนหนึ่งเหมือนกับรถยนต์ รถยนต์มันมีเครื่องยนต์นะคนขับไม่ไม่มีทางบังคับให้มันวิ่งไปเองได้ถ้ามันไม่มีเครื่องยนต์ถึงแม้จะมีมีกำลังมากขนาดไหนก็บังคับให้รถวิ่งไม่ได้ถ้ารถยนต์ไม่มีเครื่องยนต์กายนี้ถ้าไม่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงถึงแม้ใจจะเป็นพลังของผ้าอาะหันถ้าร่างกายมันอันมาผ่านมันยังไงก็ไม่เป็นทางบังคับให้มันขยับขึ้ลื่อนได้ มันเป็นคนละส่วนกันมันมีพลังของของของคนละส่วนกันพลังของใจนี้ไม่สามารถที่จะมาบังคับให้กายขยับค ย, ยื่อนไปไหนได้ <c oughs> แต่กําลังของใจนี้สามารถผลักดันให้ใจมีกําลังเข้มแข็งกล้าหาญอดทนแ น, แน่วแน่มั่นคงมีเป็นพลังของใจมันต่างกันมันทําหน้าที่ต่างกัน พลังของกายเกิดจากการออกกําลังกายและการรับประทานอาหารออกกําลังกายอยู่เรื่อยๆรืออาหารได้พักผ่อนหลับนอนสมบูรณ์่างกายแข็งแรงก็เรียนถึงพลังกายะแต่แต่รูปสงสัยว่าอไอ้กายไอ้ใจที่มันสั่งกายเนี่ยมันใช้ตัวพลังนั้นไปสั่งกายก็ใช้ความคิดนี่คิดว่าจะลุกขึ้นเนี่ยค่ะพอคิดจะลุกขึ้นมันก็สั่งไปที่ร่างกาย แล้วก็ร่างกายก็ขยับขึ้นมาถ้าร่างกายไม่มีแรงก็ลุกขึ้นไม่ได้ะ <Okay. S 1> ถึงแม้ร่างกายใจจะมีแรงขนาดไหนสั่งให้มันลุกมันก็ไม่ลุกต้องอาศัยคนอื่นช่วยประยุงขึ้นมาถึงจะลุกขึ้นได้แต่ถ้าร่างกายมันมีแรงของมันอยู่ในตัวพอเราสั่งให้มันลุกขึ้นมันก็ลุกขึ้นได้เหมือนลุงตาเรานี่ยใช่ไหมท่านบอกล้มอยู่เรื่อยๆใจของท่านมีพลังแต่กายมันไม่มีพลังตามใจ mm hmm. นะสั่งมันไม่ได้ รถมันยางแตกเนี่ยจะทำให้มันวิ่งร้อยกิโลต่อชั่วโมงวิ่งไม่ได้แนละ้วต้องเปลี่ยนยางก่อนถึงจะวิ่งได้ต้องซ่อมร่างกายก่อนทนี่ร่างกายมันเก่ามากแล้วมันซ่อมอยังไงมันก็ซ่อมไม่ได้มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอนะ่ะก็เคยซ่อมมาครั้งหนึ่งแนละ้วที่มีหมอเทวดามารักษาท่านนะท่านท่านก็เหมือนกับเกิดใหม่ กำลังวังชาทำอะไรไปไหนมาไหนรับผ้าป่าได้ไม่รู้กี่แหงกี่ห้อง<ม>เทศไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยเพราะว่าร่างกายได้รับการซ่อมแซมได้รับยาทำให้มันมีกำลังขึ้นมาที่จะทำตามคำสั่งของใจได้แต่ใจนี่มีกำลังอยู่ตลอดเวลาเหมือนเดิมไม่ได้มีลดน้อยถดถอยไปใดอย่างใด แต่มันสั่งผ่านมาทางร่างกายร่างกายมันไม่ขยับเหมือนมันดื้ออย่างเนี้ยเหมือนเราเราใช้คนดื้ออย่างนี้เขาไม่ทําตามเราเราอย่าไปทำเลชายเขาเขาก็เอาหูทวนลมไม่ได้ยินคําสั่ ง, ง้ก็เป็นแบบนั้นดังนั้นกําลังของใจนี่มันเกี่ยวกับเรื่องของใจภายในใจของตนเองกําลังของกายก็ต้องเป็นเรื่องของกาย พรพุทธเจ้าพะอานารยทั้งหลายยังต้องดูแลรักษาร่างกายด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเดินจงกรมแล่นเรียกว่าเป็นวิหารธรรมเป็นการเวลานั่งสมาธิก็เป็นการพักกายไปพักใจไปเวลาเดินจงกรมก็พักกายก็ออกกําลังกายไปแล้วใจก็ใจก็รื่นเดินไปกับการเดินเพราะสองอย่างมันยังเกี่ยวข้องกันอยู่ปากายมันจิตมันก็มาสร้างความลำบาก หนักอกหนักใจให้กับกายกับใจได้เพราะต้องจะทําอะไรกับมันก็ทําไม่ได้เลยทําภารกิจอะไรต่างๆพอร่างกายมันเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทําไม่ได้ใจก็เลยต้องดูแลรักษากายที่พระอรหันต์พระพุทธเจ้าท่านนั่งจงกรมเดินสมานัสลสมาธิเดินจงกรมนี้ท่านไม่ได้ทําเพื่อดับกิเลสท่านไม่ได้ทำเพื่อมรรคผลนิพพานเพราะกิเลสมันดับหมดแล้วมรรคผลนิพพานได้มาแล้ว ที่ท่านเดินก็เพื่อที่จะเพื่อความสบายระหว่างาธาตุขันกับใจที่ยังต้องเกี่ยวข้องกันอยู่ที่ยังต้องมีการดูแลรักษากันเหมือกับเรามีรถยนต์เราเดินทางถึงถึงจุดหมายปลายทางแล้วแต่เราก็ยังจะขับรถไปที่นู่นที่นี่ที่ใกล้ที่ไกลแต่เราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปไหนแนละ้วจริงๆแต่เมื่อมีเราก็ใช้มันไปให้เกิดประโยชน์เท่านั้นเอง เจนและพุทธเจ้าพระ้าหลานทั้งหลายท่านจะเอาร่างกายนี้มาเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ธรรมะคําสอนทำนุ่มๆเพื่อเป็นหงพ่ชาท่านที่อลวงพ่อชาท่านก็นอนอยู่อย่างนั้นเนี่ยท่านก็อยากกระยับกระยับไม่ได้เพราะว่าหมอซ่อมร่างกายท่านไม่ได้ซ่อมให้ฟื้นขึ้นมาเป็นปกติเพื่อมารับท ำ, ำรับคําสั่งของจใจไม่ได้ ประสาหรืออะของร่างกายบางส่วนมันอาจจะไม่ทํางานนะของพวกนี้ของที่เกี่ยวกับร่างกายก็เหมือนของที่เกี่ยวกับรถยนต์หรือเกี่ยวกับเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมันไม่ได้เกี่ยวว่าคนที่ไปใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะเป็นคนละส่วนกันรถยนต์เราก็ต้องคอยคอยดูแลรักษามันคอยเติมน้ํามันคอยเปลี่ยน้ํามันเครื่อง คอยซ่อมบำรุงอยู่เรื่อยๆถ้าเราต้องการที่จะใช้มันไปไหนมาไหนได้ถ้าเราไม่ซ่อมบำรุงพอเป็นเกลือแล้วเราจะไปไหนก็นั่งอยู่ในรถนะรถลากเครื่องก็มันก็ไม่ติดนี่จ้างมันไม่เหมือนกับคนขับรถยนก์คนขับรถยนตถ้าครันนี้ใช้ไม่ได้ก็ไปเปลี่ยนคังใหม่ก็ได้เลื่อนเดินไปก็ได้แต่จ้างนี้มันมันมันออกจากร่างกายนี้มันยังไม่ตามก็ยังแยกกันไม่ได้ มันก็ต้องอยู่มันไปก่อนอืมการที่อยู่แบบนี้มันเป็นเพราะกระแสกรรมใช่ไหมคะแต่ว่ากรรมก็ได้เพราะว่ามันก็ ม, นมันมาเพราะกรร ม, มก็อยู่ด้วยกันยืนด้วยกันไปจนกว่ามันจะจะจากกันที่เรามาเกิดก็เพราะว่ากรรมพาให้เรามาเกิดพาให้เรามาครอบครองร่างกาย แต่พอมาครอบครองร่างกายนี้แนละ้วจะแยกจากการนี้มันยากได้ก็ต่อเมื่อร่างกายนี้มันตายไปเช่นคนบางคนทุกข์ทรมานใจมากก็เลยฆ่าตัวตายไปก็ถึงเวลานั้นก็แยากกาันได้แต่การฆ่าตัวตายมันก็เป็นการสร้างกรรมใหม่ขึ้นมาอีกพระอรหันต์พระวุฒิเจ้าท่านถึงไม่ข้าตัวตายเพราะเ ร, ร า, า, าปล่อยให้มันตายไปต า, ตามธรรมชาติของเราแต่ท่านไดไปยืมมันไว้ไม่ต้องไป ไปไปทําไปไปซ่อมบารุงเหมือนเหมือนคนที่ยังมีกิเลสอยู่คนที่ยังอยากจะอยู่นี่เขาต้องหาพยายามทุกวิถีทางจะผาาก็ผ่าจะจะเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนเขาจะทําทุกวิถีทางแต่พระอาจารย์พระหลานพระพุทธเจรย์ันก็าอาจจะบอกว่าเอาแค่ของเก่านี่แหละมีเท่านั้นมีเท่านั้นถ้ามันไม่ทํางานมันจะอยู่ก็พอแล้ะไม่แล้ว อ, อยู่จะทําอะไรไม่ได้อยากจะอยู่อยู่แล้ว แต่เมื่อมันยังอยู่ก็อยู่ไปอย่างนี้นคือต้องเป็นอุเบกขาตลอดเวลาเมื่อไปทํากรรมไม่ไปสร้างกรรมใหม่เพิ่มขึ้นอาจารย์คะจิตตรงที่ไม่ตายกับจิตในสติสังขารสิ่งนี้แยกเพราะมันเป็นตัวเดียวกันเนี่ยแล้วจิตนี่มันไม่ตายแต่แต่แอาการของจิต ท, ที่มันมีอยู่ในจิตนี่มันเกิดดับเกิดดับ คำว่ า, าจิตในสติปัฏฐานก็หมายถึงจิตที่เปลี่ยนสภาพไปเรื่อยๆจากสงบเป็นคุ้งซ่านจากโลภเป็นโกรธเป็นหลงอย่างเนี้ยมันมันเปลี่ยนอาการไปเรื่อยๆแต่ตัวจิตก็ตัวเดียวกันนี้มันก็นเราเปลี่ยนเสื้อผ้าไปเรื่อยๆวันนี้เราใส่ชุดชุดนี้พรุ่งนี้เราใส่อีกชุดหนึ่งแต่คนผู้ที่ใส่เสื้อผ้าก็คนเดิมนี่แหละจิตก็ตัวนี้ตัวที่มาปฏิสนธิมาเกิดเป็นตัวที่รับรู้ แล้วก็เป็นตัวที่มีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาเดี๋ยวก็หมดหดใจเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจถ้าให้เราดูอารมณ์เหล่านี้ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตาเราเราบางทีก็ควบคุมบังคับมันไม่ได้เราก็ต้องปล่อยให้ถ้าเรารู้แล้วเราปล่อยปับ๊บเดี๋ยวมันก็หายไปเองถ้าเราพยายามไปแก้มันดีไม่ดีมันกลับยิ่งไปทำให้มันเป็นมากขึ้นขึ้น วิธีที่จะแก้มันก็คือทําใจให้เป็นอุเบกขารับรู้พอรับรู้แล้วมันก็เดี๋ยวมันก็หมดแรงมันก็มันก็สงบตัวลงไปความจเจริญความเสื่อมของจิตนี่คือคือจิตก็ความเจริญความเสริอมของจิตก็ขึ้นอยู่ที่ทํากับกิเลสไง <c oughs> ถ้ามีทำมากจิตก็จเจริญมากถ้าถ้ามีทำน้อยกิเลสมากจิตก็เสืมม่อมลงไป แล้วตัวจิตเองมันไม่ได้เสือ่อมเพียงแต่ว่าไอ้สิ่งที่ไอ้สิ่งที่มีอยู่ในจิตนั่นมันมันเปลี่ยนแปลงไ ป, ไป mm hmm. เหมือนกับน้ําที่อยู่ในขวดเนี่ยมันมีเต็มที่อยู่น้ํามันจะสะอาดขึ้นก็ได้จะจะสกระปรกมากขึ้นก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราใส่อะไ ร, รเข้าไปในน้ําว <c oughs> ่าเราใส่สิ่งสกรปรกเข้าไปในน้ําน้ําก็มันก็สกรปรกมากขึ้นคุณภาพมันก็เสื่อมลง mm hmm. ถ้าเราเอาไปกรอง เอาสิ่งที่สกปรปกออกแยกออกจากน้ําน้ําก็สะอาดขึ้นมันก็จเจริญมล้ก็เรียกว่าจเจริญขึ้นมันก็เป็นจิตตัวเดียวกันไอ้ที่เจริญหรือเสื่อมคืออาการของคือคุณสมบัติคุณภาพของจิตนั่นเองเหมือนกับน้ําน้ําที่สะอาดกับน้ําที่ไม่สะอาดอที่เราปฏิบัติก็เพื่อที่จะมาชําระจิตไงเราเรียกว่าชำระจิตการชําระกิเลส โดยการเอาธรรมะมาเป็นเครื่องกรองกิเลสกรองกิเลสออกไปแยกยากกิเลสออกจากงานออกจากใจเพราะปฏิบัติบบไปแล้วมันจะรู้ในใจว่าอะไรเป็นกิเลสไม่ต้องมีใครสอนก็รู้เพราะว่าอะไรที่มันทําให้เราร้อนมันเหมือนกับเป็นเข็มทิ่มแทงจิตใจเราเรารู้ทันทีว่านี่คือกิเลสพอเราคิดไม่ดีปั๊บนี่ร้อนลนะพอเป็นห่วงคนนั้นคนนี้ปั๊บ ทุกข์และวเนี้รู้แล้นี่นนเอาต้องต้องปล่อยวางความโหยหวงไม่ได้กังวลไม่ได้เพราะความกังวลก็เป็นความทุกข์แต่หน้าที่ไม่ต้องปล่อยก็ได้มีหน้าที่ดูแลใครไปก็ดูแลไปแต่ไม่ต้องไปทุกข์กับกับเขากับผลที่เกิดขึ้นจากที่เราทําหน้าที่ของเราเราทําหน้าเท่าไหร่ล้วก็ทําไปแล้วผลที่จะเกิดขึ้นตามมาจะเป็นอย่างไรก็ต้องให้มันเป็นไปอย่างนั้น แต่ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ปัญหาต่างๆในโลกนี้ความจริงมันเป็นมันมีปัญหาเป็นสองชั้นซ้อนกันอยู่คือปัญหาภายนอกกับปัญหาภายในเวลาเราไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็บอกมีปัญหาแต่เราไม่รู้ว่าเรามีปัญหาอยู่สองสองที่อยู่ที่ใจเราที่หนึ่งอยู่อยู่กับเรื่องที่เป็นปัญหาอีกที่หนึ่งเราต้องเข้าใจว่าเราต้องแก้ปัญหาใจก่อนเราต้องเราต้องแก้ใ ห, ให้ให้ความไม่สบายใจนี้หายไปก่อน เราค่อยไปแก้ภายนอกวิธีที่จะแก้ปัญหาภายในใจก็คือต้องยอมรับว่าปัญหาภายนอกนี้มันมันแก้กระไดบางทีก็แก้ได้บางทีก็แก้ไม่ได้ถ้าเรายอมรับอย่างนี้ก่อนแลวใจเราก็จะสบายแก้ได้ก็ดีแก้ไม่ได้ก็ดีพอใจเราสบายแล้วเราก็ไปแก้ด้วยเห็นด้วยผลถ้าแก้ได้ก็ดีแก้ไม่ได้ก็อะไรจะเป็นก็เป็นอะไรอะไรจะเกิดก็เกิด ใจเราจะไม่เดือดร้อนไม่วุนว่นวายแต่ส่วนใหญ่เราไม่แก้ปัญหาที่ใจแล้วเราไปแก้ที่ข้างนอกแก้ได้พักก็ดีใจเดี๋ยว เ, ออเดี๋ยเดี๋ยวมันเป็นอีกแล <c oughs> ก็ต้องแก้อยู่นั่นแหละดีใจดีใจมีใจ<ม>แล้วเราต้องทุกครั้งที่เรามีปัญหานี่เราต้องยอมมาดูที่ใจปัญหาที่แท้จะมีที่ีหนอยู่ที่เราใช่ไหมเราวุ่นวายไปกับเขาใช่ไหมถ้าไม่รู้อย่างนี้เราต้องเราต้องดับไอตัววุ่นวายในใจเราก่อน เราต้องยอมรับว่าเราอาจจะอะ่แก้ได้อาจจะแก้ไม่ได้เพราะของบางอย่างเขามีอำนาจเหนือความสามารถของเราที่เราจะไปแก้พอเรายอมรับความจริงันนี้ไ ด, ด้ใจเราก็จะสงบใจเราก็จะเยน็นคือเราปล่อยวางได้ปล่อยวางแล้วที่เราก็ไปแก้ปัญหานั้นได้ได้เท่าไหร่เท่านั้นคือไม่ได้บอกว่าปล่อยวางแบบปล่อยปะกนั่นเลยเลยฝนตกหลังคารั่วก็ปล่อยไมนรั่วไป นะแล้วก็พิจารณาดูว่าแก้ได้ไหมแก้ได้แล้ว่าแก้ถ้าแก้ไม่ได้ก็ปล่อยให้มันรั่วไปถ้าทุกว่าเราไม่มีกรเบืลองไม่มีอะไรมาเปลีย่ยนนี้หาอะไรมาอุดก็อุดไม่ได้มันจะรั่วก็อย่างมากก็เอาพวกแป้งมาลองนะก็ทําได้เท่าที่เราทําได้แต่เราก็จะไม่ไม่วุ่นวายใจทำไ ม, มในปัญหาต่างๆเราไปแก้ผิดที่คือไปแก้ที่เดียวไม่ได้ไม่ได้ไปแก้อีกที่หนึ่ง ถ้าแก้ได้ที่นี่แล้วต่อไปปัญหาต่างๆจะมีมากน้อยเท่าไหร่ก็จะเป็นปัญหาเพียงภายนอกมันจะไม่เป็นปัญหาภายในใจของเราเพราะปัญหาทุกอย่างมันก็มันก็จะมันก็จะกลับมาที่ใจเราเป็นหลักถ้าใจเราดับปัญหาที่ใจได้แล้วต่อไปก็จะสบายกับปัญหาต่างๆเศธธรษฐกิจจะตกต่ำยังไงก็ไม่ไม่เดือดร้อนแล้วเมื่อเรายอมรับว่ามันตกต่าแล้วก็อยู่กับมันได้ ไม่ไปอยากให้มันเรินขึ้นไม่อยากจะกลับไปอยู่เหมือนอย่างที่เราเคยอยู่คนส่วนให ญ, ญ่พอรวยแล้วจนไม่ลงพอพอจนแล้วก็วุ่นวายอยากจะกลับไปรวยแทนที่จะมายอมรับว่าความจจนก็อยู่ได้เหมือนกันยังมีลมหายใจอยู่อย่ไปกลัวอะไรยังมีชีวิตอยู่คนอื่นที่เขาจนกับเราก็ทำงานก็อยู่ได้เมื่อก่อนนี้เราก็ไม่ได้รวยอย่างนี้เราก็อยู่ได้ คิดอย่างนี้แนละ้วมันก็จะทําใจได้แก้ปัญหาได้ท่อาจารย์คะววิธีการทําระจิตใจและทําให้จิตใจสงบไม่กอดแกงแกับสิ่งที่มากระทบนี่ก็คือการเริญคณพิธารนาวิธีเดียวไม่มต้องใช้ปัญญาถึงจะไม่ไม่กอดกแกนเวลาทําสมาธินี่มันเพียงแต่แยกใจออกจากเหตุการณ์ต่างๆชั่วคราวเวลาไปนั่งทําสมาธิเราหลับตาพุทโธพุทโธแล้วเราก็ลืมเรื่องอปัญหาต่างๆที่ มันเคยมาสร้างความย่นดยให้กับเราแต่เราอยู่ในสมาธินั้นไม่ได้ไปตลอดเพราะเมื่อเราออกจากสมาธิแล้วเราก็ต้องออกไปทำภารกิจของเราต่อที่เราจะไม่ให้สิ่ง ต, ต่างๆเข้ามารบกวนใจเราเราก็ต้องใช้ปัญญาอย่างที้ได้พูดเนี่ยเราต้องยอมรับว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้มันไม่ได้เป็นไปตามความต้องการของเราเสมอบางอย่างก็ได้ดังใจบางอย่างก็ไม่ได้ดังใจ ดั้นเราก็ต้องทาใจของเราให้ยอมรับกับการกับการได้และการเสียแก้ได้ก็ดีแก้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรต้องสูญเสียอะไรก็สูญเสียไปแต่อย่างนี้แล้วก็เป็นการว้องกรรมหรือเป็นการปัดเป่าสิ่งต่างๆไม่ให้มาทาให้ใจของเราแข็งใจของเราก็จะเนิ่งเฉยอยู่กับสิ่งต่างๆ แต่เราต้องระวังเพราะว่าเวลาเราได้อะไรมาเราจะดีออกดีใจเราต้องคอยเตือนสติว่าเราไม่ได้มาอย่างนี้เสมอนะหรือสิ่งที่เราได้มานี้มันก็ไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดนะนได้มาวันนี้อาจจะจากเราไปในวันพรุ่งนี้ก็ได้เช่นวันนี้เขาตั้งให้เรามีตำแหน่งสูงขึ้นอีกสองวันเกิดก็เปลี่ยนใจขอเปลี่ยนคําสั่งใหม่ดีใจได้สองวัน แล้วเรากลับวัตถุกอีกนะเราต้องเตือนสติว่ามันไม่แน่นะได้มาน่าหรือว่ามันอาจจะจากเราไปเมื่อไหร่ก็ได้มันอาจจะเป็นเหมือนควันไฟก็ได้หรือมันอาจจะอยู่กับเราไปยาวหน่อยแต่ไม่นานมันก็ต้องจากเราไปอยู่ดีมันไม่จากเราไปเราก็ต้องจากมันไปถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ไม่ดีของเราเลยไม่ดีอุดมไปด้วย ก, กับสิ่งที่ได้มา หรือเวลาเราได้สัมผัสกับสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วทาให้เราโหงุดหงิดใจเราก็ต้องพยายามระงับความหงุดหงิดใจนั้นเราต้องยอมรับว่าสิ่งที่เราสัมผัสนี้เราไปห้ามเขาไม่ได้เช่นคนเ้าหลังเกลียดเราก็เกลียดขได้เราก็ ต, ตําเมีติเตียมว่าว่าเรานินทาเราพอเห็นหน้าเขาเราก็รู้สึกเกิดอาบใจแล้วนะแต่เราต้องทํา ง, งานร่วมกัน เราก็ต้องทําใจให้เฉยได้ <c oughs> บ่อยน้อย <c oughs> เขาจะมาเขามีหน้าที่ ง, งานของเขาก็ทําไปเรามีหน้าที่ของเราเราก็ทําไปถ้าใจรังหุดหนิด ก, ก็พยายามพุทธโธพุทธโธไปเรื้ยงใช้ปัญญาพิจารณาว่าเขาก็เป็นเหมือนกับลมกับแดดเราไปบังคับลมกับแดดไม่ได้ลมจะพัดมาเราก็ห้ามไม่ได้ลมจะไม่พัดเราอยากจะให้มันพัดก็ทําไหมให้มันพัดไม่ได้เวลาเราสัมผัสกับ เจอกับใครเจอกับสิ่งใดที่ทําให้เรางุดหงิดใจก็เป็นอย่างนั้นเราก็ไปบังคับเขาไม่ได้แต่เราบังคับใจเราได้คือเราปล่อยวางยอมรับว่าต้องเจอก็เจอแล้ว เ, เดี๋ยวก็ต้องจากกันอยู่ดีมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบเดี๋ยวมันก็ผ่านไปถ้าคิดอย่างนี้ใจของเราก็จะสงบไม่กวนคือเราต้องไม่ไปมีได้มีเสียกับสิ่งต่าง แต่ส่วนใหญ่เราชอบกันมีด้านมีเสียกับสิ่งต่างๆกับบุคคลต่างๆพอพอได้แล้วก็มีออกมีใจพอเสียก็วุ่นวายจใจเวลาใครเอาเงินมาให้เรานี่เราดียินดีต้อนรับเขาเวลาใครมาขอเงินเราเรียบร้อยเวลท่านอาจารย์ครับขออนุญาถามหนึ่ครับคนเราที่เกิดและตายมันไม่ลบทิ่งได้ไหมครับแากนี้เพต่มถ้าเกิดเาผ่านมายกไป ไปกตกนรกเหรอคะทำไมควางความยากลำบากกานตกนรกมันไม่ิดจัวเป็นนิ่มนจําไม่ได้เลยนะเห็นไหมคิดว่าอาจจะไม่มีนรกซะได้จำหอครับเกินถึงลืมสิ่งที่ทุกยากี่ต้องตกนรกไปเพราะเราเป็นเหมือนคนเมาสุราน <c oughs> คนเมาสุรานี่เปลี่ยนผ่านเหตุการณ์ต่างๆมามากมายก่ายกอง <c oughs> แต่จําไม่ได้เลยพอหายมาว่าถามว่าเมื่อคืนนี้คุณทําอะไรไปณรู้อ้าง <c oughs> ไม่รู้เลย <c oughs> เ่ความหลงก็คือ ค, ความเมามันของจิตใจวเวลาตกนรกก็ไม่รู้ว่าตกนรกเวลาอยู่บนสวรรค์ก็ไม่รู้ว่าอยู่บนสวรรค์จำไม่ได้ถึงแม้มีสนิสติขนาดนี้ก็จริงแต่เหตุการณ์ที่มันผ่านไปเนี่ยเราจะแทบจะจำได้น้อยมากเมื่อวานนี้เราทำอะไรได้บ้างจำอะไรได้บ้างตลอดยี่สบสี่ชั่วโมงกินอะไรจำได้เนะมื่อเช้าเมออื่อวาน ธรรมชาติของใจมันเป็นอย่างเนี้ยมันจะไม่ค่อยจําอะไรเท่าไหร่มันจะจําแต่สิ่งที่มันเด่นเด่นชัดชัดสิ่งที่มันมีความผูกพันมากมันจะจําได้เป็นใครด่าเราคำเดียวนี่จําได้เลยหรือใครชมเรานี่ก็จะจําได้นเพราะมันก็อยู่กับความผูกพันของใจเราว่าเรามีความผูกพันกับอะไร มากน้อยเพียงไรควนก็จะจำได้มากน้อยเพียงนั้นคือนิกว่าผลของการปฏิบัติธรรมเนี่ยแน่นอนแล้วมันได้ผลมาระดับหนึ่งเนี่ยแล้วมันฝังอยู่ในจิตเนี่ยพบเปลี่ยนพบเขลียนชาติเนี่ยมันจะภาวะตรงนั้นมันจะกลับมาไหมครัว่ามันคือมันมีสองระผลมีอยู่สองระดับผลที่เป็นโลกิยะกับเป็นโลกุตตะรบถ้าโลกิยะเนี่ยมัน ม, มันมีหมดไปได้ ที่เราทําบุญแล้วเราได้รับอ น, นิสงส์ไปเกิดเป็นเทวดาพอหมดอ น, นิสงสนะ์นั่นมันก็เสื่อมลงไปหายไปความสุขความสบายใจแบบเทวดาก็หายไปความหิวข้หายอยากจะสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสชนิดยากก็จะเกิดขึ้นมาก็จะทําให้ร่างให้จิตต้องมาหาร่างกายเพื่อจะได้ไปหาความสุขทางความส่วนอยากต่อไปอันนี้มันมันขึ้นขึ้ น, นลงลง ถ้าเป็นนั่งสมาธิเข้าฌานได้ตายไปก็ไปเกิดเป็นธมจนกว่ากําลังของฌานนั้นมันหมดไปก็จะเกิดความหิวในใ น, ในความสุขที่ชนิดอยากก็ลงมาเป็นเทเพอความสุขชนิดของเทหมดไปมันก็มีความหิวอยากความสุขที่อยากฉะ น, นั้นก็ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาหามาหาลูกเสียงเก่งลดผลตาพระใหม่แล้วก็ถ้าได้ทําบุญได้นั่งสมาธิ มันก็จะกลับขึ้นไปใหม่แต่ถ้าจะให้เป็นแบบทาวรไม่ไม่เสื่อมลงมาก็ต้องเจริญอานิจจังทุกขังอนัตตาเจริญขั้นปัญญาปล่อย ว, วางด้วยปัญญาทําจิตใจให้สงบให้มีความสุขด้วยปัญญาด้วยการตัดกิเลสด้วยการปล่อยวางความยึดติดในความสุขต่างๆจะเห็นว่าความสุขต่าง ต, า, งตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นโทษไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นคุณไม่หาไม่เอาไม่ยึดไม่ติด ตัดมันด้วยปัญญาไม่แสวงหาทุกครั้งอยากจะดื่มกาแฟก็ไม่ดื่มทุกครั้งอยากจะหาความสุขจากการฟังการดูก็ไม่เอาตัดมันไปจิตก็จะเข้าสู่ความสงบพอสงบแบบนี้แล้วมันจะไม่เสือ่อมเพราะมันสงบด้วยปัญญามันไม่ได้สงบด้วยการบังคับบริกรรมหรือให้จิตเพ่งอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแล้วขาดจากความคิดปรุงแต่ อันนี้มกลับถึงไม่จะคิดปรุงกีดครั้งมันก็จะไม่คิดไปในทางแบบที่เคยคิดนะมันจะไม่คิดแสวงหาความสุขต่างตาหูจมูกร่างกายมันจะเอาความสุขที่เกิดจากความสงมบที่เกิดจากการปล่อยวางถ้าเป็นอย่างนี้มันก็จะไม่มีทางเสือ่อมนี่เขาเรียกว่าปัญญาขั้นโลกุตระอซึ่งมีแต่ในพุทธ พ, พุทธศาสนาเท่านั้นศาสนาอื่นนี่เขสอนได้ไปเพียงถึงแค่ขั้นโลกิยะ ผลคือขั้นขั้นข่มเท่า น, นั้นคือรักษาศีลทำบุญให้ทานรักษาศีลแล้วก็นั่งสมาธิทําจิตให้สงบเขาจะทําแบบนี้มาตั้งแต่สมัยก่อนที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้พวกฤาษีชีพใจพวกนักบวชทั้งหลายต่างๆก็ทําได้แค่นี้อุูบาอาจารย์สองรูปที่สอนพระพุทธเจ้าก็ทําได้เพียงแค่นี้เพราะไม่มีใครรู้ว่ามีขั้นที่สูงกว่า น, นั้นที่เรียกว่าโลกุตตะระที่ ที่ที่จะเกิดได้จากการที่เห็นว่าสภาวะรรมทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกคนเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาไอเห็นทุกขังแต่ไม่เห็นอนัตตาทุกครั้งรู้ว่าทุกคนรู้ว่าเกิดมาเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายรู้ว่าเป็นความทุกข์แต่ไม่รู้ว่ามไม่มีไม่มีตัวตนไม่รู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนหรือแม้แต่จิตเองก็ไม่ใช่ตัวตนอันนี้ไม่มีใครรู้ มีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวองค์แรกองค์เท่านั้นที่จะรู้ได้พอรู้แล้วก็มาสอนให้เราปล่อยวางไม่ให้ยึดติดกับร่างกายของเราหรือของไขก็ตดังหรือสิ่งของต่างๆทุกอย่างมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปอย่างที่พระอัน ญ, ญาณกุลธัญะเวลาฟังเทศเสดเกิดทานออกมาว่าการทำธรรมดาที่มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา เคออยยอมรับความจริงว่าทุกคนจะต้องมีการสิ้นสุดลงเพราะร่างกายนี้เป็นเพียงการรวมตัวของดินน้ำลมไฟนะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่การที่ไห น, นเหมือนกับเสื้อผ้าที่เราเอาผ้าเอามาตัดมาเย็บให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาร่างกายเราก็เอาอาหารมามามากินมาหล่อเลี้ยงมันให้ออกมาเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเหมือนกับเป็นหุ่นยนต์เ่ย เราสร้างหุ่นยนต์ทุกวันนี้เร า, เาพยายามสร้างหุ่นยนต์ให้มันเหมือนคนในชะ่ไหมมันก็เป็นเพียงหุ่นยนต์ร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนกับหุ่นยนต์เพี่แต่ว่ามันมีจิตเข้ามาเป็นเจ้าของเป็นคอยสั่งการสั่งงานนี้จิตมันเป็นตัวที่เรามองไม่เห็นนั่นสิถึงทําให้เราหลงคิดว่าร่างกายนี้มันเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาท่านอาจารย์ถ้าถูอว่าการปฏิบัติถึงยังไม่ได้ขั้กกรนรูปอัตละเนี้ ไ ป, ปสร้างสวงไปออพบหน้าชาติหน้าไหมคะเป็นเป็นต้นสายต่อไปไหมมันก็ไม่แน่มานทีกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้ามันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยรอดตัวถ้าเราไปอยู่ในวงการของคนทุจริตเขาชวนเราไปทำบาป ท, ทำกรรมเราก็ถ้าไม่มีปัญญามากพอเราก็อาจจะหลงทางเข้าไปก็ได้ ขึ้นอยู่กับปัญญาว่าเราได้สะสมปัญญามามากเพียงไรถ้าเรามีปัญญารู้ว่าทาบาททากรรมนี้ไม่ดีอย่างนี้ถึงแม้ใครจะมาชวนเราไปทำบาททำกรรมเราก็ไม่ไปบา ร, รมีมารมีอยู่สิบชนิดด้วยกันตัวที่สำคัญที่สุดก็คือปัญญาบารมีที่เมื่อกี้พูดแต่ว่าเนี่ยตัวที่จะพาให้จิตเราไปทางไหนก็อยู่ที่ปัญญานี้เอง ถ้าเรามีปัญญามากเรารู้สามารถแยกแยะความถูกถกดีชั่วได้เราก็จะไม่ไปในทางทางที่เสียหายแต่ถ้ามีปัญญาน้อยไม่รู้อะไรเลยใครชวนไปไหนก็ไปชวนไปขมโมยก็ไปชวนไปเสพยาเสพติดก็ไปนีแสดงว่าไม่มีปัญญาแยกแยะมีการทาสมาธินี้มันไม่จำเป็นจะต้องมีปัญญาก็ได้แต่เนะีย การรักษาสิไม่ต้องมีปัญญาก็ได้เแต่ให้รู้ห้าข้อนี้ก็ทําไปสมองต้มีสมาธิแล้วชะนั้นก็ว่าถ้าเราเป็นกุฎโลกุฎตะลานนี้ต้องไ ด, ได้ได้แล้วได้ผลถึงขนาดเป็นพระโสโดานนะฮะถึงจะฝังวิริจิตใช่ถ้าเปิดต่ําจากนั่นไปก็อาจจะลืบลื่นไปได้ใช่แต่เป็นทางสภาวะที่เราไปพบเห็นไปอะไรมาครอบงอไปตามนั้นอย่างอืมันก็จะมากรบมาทับไปถึงแม้ปัญญาก็อาจจะถูกปัญญาอย่างอื่นความรู้อย่างอื่นมากรบทับไปได้ถ้าเราไม่ไม่ไม่คิด เพิขึ้นมาอยู่เรื่อยๆอัดใหม่เข้าไปอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเป็นพระสวสดา์แลมันจะรู้โดยอัตโน ม, มัติว่าอะไรดีอะไรชั่วเพราะมันจะเห็นผลที่เกิดในจิตในใจ ท, ทันทีพอคิดไม่ดีปั๊บใจจะร้อนขึ้นมา ท, าทันทีพอคิดดีใจก็จะสบายพอปลงได้วางได้ใจก็จะสบายพอยึดติด ป, ปั๊บมันก็จะวุ่นวายขึ้นมา ท, าทันทีอันนี้มันจะรู้อยู่ในใจของพระโวสดาเลย แในของประชาชนนี mm ้จะไม่เห็นจะไม่มองในในข้างในจะมองแต่ข้างนอกถ้าเอ่อ่างกายถืงว่าเป็นการรูปของธาตุสี่ใช่ไหมครับแล้วทําไมคือการทาลายร่างกายทําลายร่างกายอ่ะมัเป็นบาปถ้าถ้าคิดว่าทํากับธาตุสี่อเพราะมันจะเกิดเป็นวิสัยแต นิ้งร่างกายของเรานี้มันมีคุณมีประโยชน์มันเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ทั้งทุกครั้งเรามาเกิดแล้วเราไปทําลายร่างกายเราก็ไม่มีทางที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ทุกครั้งเรามีปัญหามีความไม่สบายใจเราก็ฆ่าตัวตายเพราะการปฏิบัติธรรมนี้มันจะต้องฝ่าปัญหาฝ่าความทุกข์ต่างๆมากมายถ้าไม่มีความอดทน แล้วมีมีนิสัยที่อยากจะตัดปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายมันก็จะติดเป็นนิสัยแต่ทาลายเครื่องมือที่มีค่าคุณค่าอย่างนี้ต่อการหยุดทนก็จะไปไม่ถึงไหนก็จะวนเวียนอยู่อย่างเนี้ยกว่ากว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ละครั้งก็ไม่ใช่ง่ายอยู่แล้วไม่ใช่ได้กลับมาเกิดทุกครั้งนะตายไปแล้วอาจจะต้องไปเป็นปลาเป็นนกเป็นปูเป็นอะไรเป็นอาหารที่เรากินเราไปฆ่าอะไรมาแล้วก็จะไปเป็นอย่างนั้น <S <S <S 2> <S 2> <S ถ้าเราไปฆ่านะแต่ถ้าเขาข้ามาให้เรากินไม่เป็นนะไม่เกี่ยวนะอยากินปูนหน้าแดงอย่าไปชี้ปูในในในในตู้นะอย่าไปชี้ปลาในตู้นะอย่ากินตัวนี้อย่ไปสั่งไก่ไว้นะตุรกงเนี่ยเ้าจะซื้อก็ไม่ซื้อเของื้อเขาฆ่าตายนะถ้าไม่มีก็ไม่ก็ไม่ไม่ตกินก็ได้ สิ่งเดี่ยวนี้ีตินึ่งประนิสัยเลยอะไรมันจะติด่นิสัยอะไรก็มีแต่มันจางได้ไงมันจางได้ัอยู่ที่ว่าเราทาซ้าบ่อยหรือเปล่าถ้าทาซ้าบ่อยมันก็จะติดอยู่นานถ้ามันไม่ทาบ่อยยังพิมดีเนี่ยลองเลิกินไปสักพักเดนมันจะกลับมาพิมใหม่มันก็เริกเริจำไม่ค่อยได้นะ แต่ถ้าเราเคลมอยู่ทั้งวันเคลมอยู่ทุกวันทอยู่ทั้งวันนี้มันก็จะติดอยู่ในใจเรามันอะโทษนะลูกคิดว่าอย่างพวกเราเนี่ยวนที่ใสอยากมาวัจากบุญอย่างเงี้ยมันมันไมติดภพชาติไปเหรอมมันก็ตินะจะตินมากต็ดน้อย มันจะมีแรงมากแรงน้อยเท่านั้นเองแต่ถ้าแต่ก็อยากจะหวังว่ามั่นใจว่ามันจะติดกับเราไปตลอด <c oughs> ก็ต้องมีโลกุตระรำ <c oughs> มีปัญญา <c oughs> เห็นคุณของการทำบุญอย่างจริงจัง <c oughs> ไม่ต้องให้ใครชวนไม่ต้องไม่ต้องรอให้ใครผลักดันมันเป็นเหมือนกับเรือที่มีเครื่องอยู่ในตัว พวกที่ไม่มีเครื่องก็ต้องเป็นเหมือนเรือพ่วงต้องรอให้มีเรือพ่วงเรือที่มีเครื่องมาคอยลากคอยจูงไปคอยชวนไปคอยดึงไปถึงจะไปแล้วเราสังเกต ด, ดูได้ในตัวเราเนะี่ยว่าเรามีพลังที่จะขับเคลื่อนไปในทางความดีมากน้อยเพียงไรบางคนมีมากเขาไปของเขาเองบางทีก็ไปเร็วเข้าไปไปคนเดียวด้วยวกัน ก็คีดเกียจมารอเดือนละครั้งช้าเนี่ยเหลือยู่ไปทุกวันเลยข้าวจฮากัลยาและปุถุชนนี่ละวางกิเลสบ้างได้บ้างไหมคะก็ได้แต่มันแบบว่าได้แต่ไม่ขาดได้เป็นครั้งเป็นคราวเป็นบางเวลา ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ขาดแบบไม่ได้ถอนรล่าถอนโคลการเจระกิเลสแบบถอนรล่าถอนโคลนี่เราต้องเห็นโทษของมันเห็นว่าความโลภนี่ไม่ดีเลยถ้าเห็นอย่างนี้แล้วเห็นว่าความโลภเป็นเหมือนยาเหมือนยาพิษเมือนงูพิษอย่างนี้ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วมันจะไม่ไม่ไม่ไม่โลภมันต้องเห็นด้วยใจเพราะเวลาโลภนี่มันใจมันจะร้อนมนเหมือนไฟมันกขึ้นมา หรืกับถูกหอกทิ่มแทงในใจเวลาโลภเวลาโลกรธเวลาหลง ม, มันจะมีถ้ามันเห็นอย่างนั้นแล้วมันก็จะตัดได้ถ้ามันไม่เห็นอย่างนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์บางเวลาถ้าไม่หิวมากไม่โลบมากก็อ่ะไม่เอาก็ได้ถ้าบางเวลาโลภมากโอ้โหไม่ยอมอ่ะยังไงก็ไม่ยอ ม, อมขึ้นอยู่กับเหตุตัดใจรอบๆตัวเองยังไม่ขาดยังไม่ขาดมันเป็นอารมณ์ อารมณ์มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ถ้ามันเป็นปัญญาแล้วไม่เป็นอารมณ์มันเป็นเหตุผลเหตุผลนี่มันตายตัวอยู่แล้วแล้วเหตุผลมันไม่เลยเป็นเหตุผลตามจินตนาการมันเป็นเหตุผลที่มีเครื่องวัดคือใจของเราอะไรเป็นโทษกับใจนี่มันจะร้อนขึ้นมา ท, าทันทีมันจะเป็นเหมือนหอบทิ่มแทงใจทันที จะมีชื่อว่ากิเลสหรือไม่กระตางก็จะรู้ว่าตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ไม่ได้เราปล่อยมันให้เจริญอยู่ในใจไม่ได้ต้องกับจัดมันเช่เราเป็นห่วงอะไรใจเราจะร้อนขึ้นมาทันทีเราก็ต้องหัวห่วงไม่ได้แล้วจะเป็นอะไรก็ต้องเป็นเราทําอะไรได้ก็ทําไปแก้ได้ก็แก้ไปป้องกันได้ก็ป้องกันไปแต่ใจจะไม่ไม่ ไม่ยึดติดกับสิ่งมันไม่อยากจะให้เป็นไปตามความต้องการจะยอมรับความจริงของมันมันจะมันจะเป็นอย่างไรก็ต้องอยอมรับเช่นร่างกายของเราเนี่ยทั้งวันเนี่ยมันก็จะต้องอยู่ที่อยู่ที่เราต้องรุ้นว่ามันจะหายหรือไม่หายถ้าวิธีนั้นเราถึงตอนนั้นเราก็ต้องทาใจว่าหายก็ได้ไม่หายก็ได้มันถึงจะสบายใจถ้ามันยังอยากจะหายอยู่เนี่ยมันก็ยังจะกังวลอยู่ เพราะมันจะรู้อยู่ในใจว่าความร้อนความวุ่นวายใจยนี้เป็นโทษมากกว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายของร่างกายอันนี้คือรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยเหตุด้วยผลรู้ด้วยการปฏิบัติไม่ได้รู้จากการจินตนาการอย่างที่อาตมากลวิโยงฟังเนี่ยเป็นจินตนาการยังไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวของเราเอง ตองรอให้มันเกิดขึ้นต่อแล้วแต่ตอนนั้นเราจะต้องเลือกแล้วว่าจะเอาอย่างไรดีจะโปรงหรือไม่โปรงถ้าไม่โปรงมันก็จะทุกข์ทรมานใจถ้ามันโปรงแล้วใจมันจะเย็นใจสบายใจจะสงบเหมือนกับเอาหินที่แบกไว้นี้ทุท่ม ท, ท, ทิ้งลงไปโล่งอกเบาใจขึ้นมาอยทันทีเลยร่างกายจะตายจะเป็นก็ให้มันเป็นไปเราก็ดูแลมันเป็นที่อยู่แล้วยาก็กินหมอก็รักษาอยู่แล้ว หายก็หายไม่หายก็กลับไปถ้าอย่างนี้แนละ้วใจก็จะโลตอนนั้นไม่มีใครทนะําให้เราได้แนละ้วเราต้องเป็นคนทําเองตอนนี้เราโชคดีเราได้ฝึกเราเราได้ยินวิธีก่อนเนะ่เห <c oughs> มือนกัว่ารู้รู้ทางแนละ้ว <c oughs> พอถึงเวลานั้นเราเวลาเกิดความประสาทกระส่ายวุ่นวายใจเรารู้แนละ้วเราจะทำอะไร <c oughs> แต่คนที่ไม่เคยเข้าวัดไม่เคยฟงนะังธรรมะเนี่ยพอถึงตอนนั้นเราจะไม่มีที่พึ่ง แะไม่จะจะอยากย้ายหายอย่างเดียวใช่ไหมไม่ยอมตายอย่างไม่มีทางที่จะยอมรับความตายได้ีก็ยิ่งทุกข์ทรมานไปอย่างถ้าจะตายอย่างทุกข์ทรมานอย่์ยิงย่งแล้วก็ไปตายตายแบบไปไปแบบไม่ดีตายไปด้วยความตายไปตกนรกตายไปสูอบายหัวใจวุ่นวายว้าวุ่นขุนมัวถ้าถ้าตรงได้ยอมรับได้ ถึงแม้ไม่ถึงขั้นขั้นปัญญาก็คืออย่างน้อยทําบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปไม่ไปคิดถึงเรื่อ ง, งร่างกายอย่างนี้พยายามฉีดยาวสลบให้กับใจอย่างนี้ก็ยังดีอย่างน้อยก็ทําให้สงบไปก็ยังไปดีแต่ไม่ดีเท่ากับไปแบบปัญญาถ้าไปแบบปัญญานี่มันอาจจะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเลยเช่นพระราชบิดาของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าไปทรงสวดได้บรรลุเป็นพระอรหังตเจ็ดวันก่อน จะเสด็จสวรคร์อนาคตเนี่ยก็จะมาสายเหตุการณ์นั้นแล้วส่งสอนให้พิธีปฏิบัติกับเหตุการณ์นั้นให้โรงให้วางให้ปล่ให้พิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เดาไม่ใช่ของเรา <c oughs> เป็นหมืนบ้านที่เราเอาศาัยอยู่นีน่มันไม่ใช่ของเรามันจะไฟมันจะไหม้ใช่ไหม้ไปไม่ต้องไปทุกข์กับมัน มันดีพวกเราเนี่ยโชคดีที่เราได้มาได้ยินได้ฟังเนี่ยเพราะเป็นเหมือนกับว่าเราได้มาเห็นอนาคตแล้วว่าอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นเหมือนกับการซ้อมรบถ้าเป็นนักมวยก็เหมือนกับได้ฝึกซ้อมโชคกระสอบทายได้โชคกับครูฝึกสอนให้ให้รู้วิธีรับธรรมัตรต่างๆพอขึ้นบนเวทีก็จะได้รู้จากวิธีสอบสู้ <c oughs> ถ้าไม่มีแล้วไม่มีอาวุธนะถึงเวลานั้นแล้วโอ้จะมันระสั่ำระสายไปหมดเนยะถึงแม้จะเห็นว่าเขานอนสลบอยู่มันเขาสงบอยู่ถ้าเขาอาจจะสงบเพราะยาแต่ในใจเขาอาจจะวุ่นวายยังไงเราก็ไม่รู้อืสงบแต่ร่างกายเช่นคนมีเงนินมีทางเขาก็เข้าโรงพยาบาลหมอก็มีอยู่มียาระงับ ปรานะครับความปวดอะไรต่างๆได้แต่ในใจเราจะไปรู้รือว่าเขากระสับกระส่ายหรือไม่อย่างไรันจึงสอนให้คิดในทางธรรมอยู่เรื่อยๆเราจะพออย่างที่คิดถึงความไม่เที่ยงความทุกข์ความไม่มีตัวตนว่าไม่มีอะไรเป็นของเราทอย่างนี้อยากไปยึดอยากไปติด มีไว้ใช้แค่นั้นเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้แบบปล่อยวางจะแจกเราไปเมื่อไหร่เวลาไหก็พร้อมเสมอยิ้มได้เสมอยิ้มได้ทุกเวลาวันไหนที่เรายิ้มไม่ได้เราบอกเรากําลังหลงทางนะ <c oughs> เรากําลังยิ้มกำลังติดกับอะไรนะ <c oughs> <c oughs> ต้องถามตัวเราเองว่าวันนี้ยิ้มได้หรือเปล่าวัน <c oughs> นี้ยิ้มได้หัวเลาะได้หรือเปล่าถ้าเครีนี้แสดงว่าหลงนะ เอาจริงเอาจังมากเกินไปกับของที่ไม่จริงไม่จังรงนี้เป็นโรงละครเราเล่นกันจริงาจัิงลากเกินต้องยิ้มได้เสมอต้องหัวเราะได้เสมอแต่นันก็พูดง่ายนะแต่าันทำยาก ผังก็สับเกต่มันก็สังเกตุดูบรอาจารย์ท่านอารมณ์ดีตลอดเวลาอ่านท่หัวละตํลอกอะไรขบขันเราเรานี้นั่งเครียดเค้ียดกูว่สุดวจะถกได้ก ตอนต้นท่านจานบอกว่าถ้ามาฟังธรรมแล้วไม่ว้าเวพวกคณะลูกก็เลยมากันทุกเดือนเลยค่ะแล้วมีหลั ง, งววน้อยไปเรื่อยน้อยไปก็ไปฟังที่อื่นบ้างแต่จริงเลยรู้สึกว่ามันนานเดิไปอะไรที่มันก็จะได้มีอะไรเปรียบเทียบกันเดิน ตรงนีบกคล้องอย่างหนึ่งใบฟานทางนู้นก็เคยรู้ว่าตอนนี้บกคล้องได้จ้งได้ทางนู้นมไม่เคยก็ไ่บกคล้องได้ไ ด, ได้มีส่วนอืน่นมาเสริมเพราะแต่และองค์ท่านก็อาจจะถนัดในในบางสิ่งบางอย่างในบางสิ่งบางอย่างท่านไม่ถนัดท่านก็จะไม่ค่อยพูดก็ได้ที่ไม่ก็อาจจะไม่ถูกจริตกับเราบางอย่างแต่ถ้าเราไปฟังหลายๆที่หลายๆองค์เนี่ยเราก็จะได้มีมีส่วนที่เสริมเข้ามา ส่วนที่องนี้บกล้องแต่องคนี้มีเพื่อบกล้องในการที่ในการแสดงไม่ได้กล่าวถึงเราไปฟังอีกองหนึ่งก็อาจจะเสริมความรู้ความเข้าใจาให้กว้างมากขึ้นก็ได้แล้วก็จะได้ผ่อนเปล่าภาระของท่านไปในตัว <c oughs> <c oughs> แต่ทุกครั้งที่ไปยกเด็ดเด็ดทั้งที่แล้วีเพื่อนที่มารอบเลขกันนะคะจริงแค่ใหญ่ให้ ท่านอาจารยสอนตรงนี้ไวเพื่อจะได้บันทึกไว้คือเขาบอกว่าเขาถามท่านอาจารย์ว่าในการเริ่มต้นการทําภาวนาเนี่ยเขาใช้วิธีฟังเทปเอานะคะหรือใช้วิธีทําพุโทโธดีแล้วท่านอาจารย์ได้ตอบเขาซึ่งเขาเล่าให้ลูกฟังแต่ลูกอยากจะให้ท่านอาจารย์ได้ได้ตอบอีกครั้งเพื่จะได้เอาไปดรีูได้ในแขนนี้คือถ้าเราฟังธรรมเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับอาศัย อ, อคนอื่นช่วยผักให้รถเราวิ่งให้มันติดเราเราสตาร์ทเครื่อง แบตเตอรี่นราหมดไม่มีไฟนทีวิธีที่จะทําให้รถเราสตาร์ทได้เราต้องอาศัยแบตเตอรี่ของคนอื่นเข้ามาจ้ำเพื่อมันจะได้ทําให้เครื่องเราติดเวลาเราฟังธรรมแล้วเราภาวนาแล้วมันไม่สงบเราพุโทโธแล้วไม่สงบเนี่ยบางทีเราก็ต้องอาศัยการฟังธรรมนีก่อนพอฟังธรรมไปแล้วเรามีสติจดจ่ออยู่การฟังจิตไม่ไปคิดเรื่องต่างๆจิตก็จะสงบตัวก็เป็นการเริ่ม อาศัยอาศัยสิ่งภายนอกมามามาทําให้จิตเราสงบเพีงแต่ว่าเรามันจะสงบได้ระดับหนึ่งมันไม่สงบดีเท่ากับที่เราทําของเราเองงั้นเราสามารถทําได้ตลอดเวลาถ้าฟังเทศฟังธรรมก็ต้องคอยมีเครื่องเทศมีทอยอะไรติดตัวไปอยู่เรื่อยถ้าเกิดแบบหมดเครื่องเสียมันก็ เรากดหตะก็จิตกระทำไม่ได้ด น, นะง <c oughs> ั้นเราต้องเพีงแต่อาศัยเพื่อให้มันเป็นเชือ้อทำให้เรารู้ว่าความสงบเป็นยังไงทำให้เรามีจิตจัดทาที่อยากจะทำให้สงบ <c oughs> เพื่อเราจะได้ไปเจริญสติให้มากขึ้นแล้วพอมีสติเราก็จะสามารถมาบริกรรมพุทโธพุทโธหรือกำหนดดูลมหายใจเข้าออกแล้วมันก็จะสงบไปได้ขอาพอเราทำนี้ได้ต่อไปเราก็ไม่ต้องอาศัย เค่งเทศการฟังเทศของผู้อื่นเราก็อยู่ที่ไหนอยู่ในป่าคนเดียวเราก็ภาวนาของเราได้ส่วนการฟังเทศฟังธรรมนี่ก็อาศัยทางปัญญาหรือตอนต้นเราอาศัยเป็นการฝึกทําสมาธิแต่เมื่อเราทําสมาธิของเราได้ต่อไปเวลาเราฟังธรรมนี้เราฟังเพื่อปัญญาเพราบางทีเราคิดไม่เป็นคิดไปในทางธรรมะไม่เป็นเราก็ต้องอาศัยการฟังธรรม ท่านสอนแน่นอนคิดว่าคิดอย่างไงถึงนี้เป็นทางคิดอย่างไรถึงเป็นกิเลสเช่นคิดปล่อยวางนี่ก็เป็นทางคิดยึดติดก็เป็นกิเลสคิดในทางอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นธรรมถ้าคิดไปว่าสิ่งนั้นดีสิงนี้เป็นเถื่อนนี้ก็คิดไปในทางกิเลสถ้าเราไม่ได้ยินในฝั่งธรรมเราจะไม่รู้แล้วเราจะคิดไปในทางกิเลสเสมอเห็นอะไรก็ว่าดีได้อย่างไงมาก็น่าจะดีนะมีความสุขนะเนี่ยมจะคิดอย่างนี้เสมอ แต่พอมาได้ยินได้ฟังธรรมก็จะได้เชื้อของปัญญาเมื่อได้เชื้อมาแล้วเราก็ต้องเอาไปเจริญต่อเราเดินจงกลมเราก็พยยิจารณาตามที่เราได้ยินได้ฟังมาเมื่อต่อไปเราพิจารณาไปเรื่อยมันก็จะติดเป็นนิสัยไปรอไปเราก็แสดงธรรมภายในใจของเราเองว่าธรรมนี้มันจะเจริญคับมันเหมือนไฟที่มันจะใคร มันมีเชื่อแล้วมันก็จะไม่ไปเรื่อยๆมันก็จะสามารถที่จะคิดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็เอาอา น, นิจังทุกขงางอนัตตานี้ไปกําหนดอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เสมอก็จะปล่อยวางเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ไม่กังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้แล้วต่อไปก็ไม่ต้องฟังธรรมของผู้อื่นก็ได้นอกจากธรรมที่มันสูงกว่าที่เรายัางไปไม่ถึงแล้วเรวติดขัดอยู่อย่างนี้ก็อาจจะต้องเข้าหาครูบาอาจารย์ไปเล่าให้ท่านฟังเพื่อให้ท่านช่วยแก้ปัญหาให้เรา เพราะทำผ่านมาแล้วมันเร็วกว่าที่เราจะมาแก้เองแก้เองอาจจะแก้ไม่ถูกก็ได้หรือถ้าถูกก็อาจจะช้าก็ได้ถ้ามีครูบาอาจารย์มีผู้ที่รู้ผ่านมาแล้วนี่มันจะทำให้เราผ่านปัญหาไปได้อย่างรวดเร็วนี่คือการอาศัยธรรมะการฟังธรรมจากผู้อื่นในเบื้องต้นการอาศัยเป็นการสอนทำสมาธิเป็นการฝึกทำสมาธิด้วยการฟังเทศน์กาธรรม แต่ไม่ควรที่จะอาศัยอย่างนี้ไปตลอดเป็นเหมือนกับปลูกต้นไม้ในในกระถางอนต้นเราต้องปลูกไว้ในกระถางก่อนเพราะเราดูแลรักษาง่ายให้น้ำง่ายให้เคลื่อนย้ายมันได้ง่ายถ้าแดดมากแล้วเราก็เคลื่อนมันไปในร่มได้แต่มันจะไม่โตมันจ ะ, จะได้แค่แค่ขนาดของกระถางเท่านั้นถ้าอยากจะให้มันโตหลังจากนั้นเราก็ต้องย้ายจากกระถางลงไปในดินการภาวนาทาสมาธิก็เหมือนกัน เรื่อต้นก็ขอให้เราถ้าเราไม่สามารถที่จะทำจิตให้สงบได้ด้วยการบริกรรมพุทโธหรือดูลงหายใจเข้าออกเพื่อเปิดธรรมะฟังไปก่อนแต่เวลาฟังก็ต้องมีสติอยู่กับการฟังอย่างเดียวอย่าไปคิดเรื่องอื่นในขณะที่ฟังจะเข้าใจไม่เข้าใจไม่เป็นไรขอให้มีจิติดอยู่กับกระแสะธรรมที่มาสัมผัสกับหูเรว่าพอถ้าเข้าใจมันก็เปิดปัญญาได้ปัญญาไปด้วย ถ้าไม่เข้าใจก็ได้ความสงบอย่างเดียวแล้วต่อไปพอเรารู้วิธีแล้วว่าเออวิธีที่จะทําจิตให้สงบก็คือให้มีสติจดจ่ออยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งต่อไปเราไม่ต้องใช้ธรรมะเป็นอารมณ์ก็ได้เราใช้พุโทโธก็ได้ใช้ลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือถ้าเราเป็นธาตุมีมีความความถนัดทางด้านปัญญาเราก็อาจจะใช้การพิจารณาเป็นการทําจิตให้สงบก็ได้ที่เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิ พิจาณาวุ่นวายกับเรื่องอะไรเรื่องกดลูกก็ต้องตัดลูกให้ได้ปล่อยให้ได้เรื่องงานก็ต้องปล่อยให้ได้ตัดให้ได้เรื่องสามีเรื่องภรรยาก็ต้องตัดต้องปล่อยให้ได้แต่ไม่ได้แยกกันนะก็อยู่ร่วมกันไาแต่ปล่อยทางด้านอารมณ์ทางจิตใจไม่ไปหนักอกหนักใจไม่ไปกังวลวุ่นวายกับเขามากจนเกินไปถ้าเราปลงได้ตัดได้ปล่อยได้ใจก็จะส่งนี่เขาเรียกว่า การทำจิตให้สงบด้วยปัญญาเนี่ยทำได้สามวิธีนะฟังเทศฟังธรรมพิจารณาด้วยปัญญาเองหรือบริกรรมพุทโธหรือกาหนดดูลมหายใจเข้าออกนการทำสมาธิท่านถึงมีถึงสี่สิิชนิดกรรมฐานสี่สิเป็นเครื่องกล่องใจได้เท้งนั้นบางคนก็ถนัดทางด้านจเจริญเ ม, มตตาภาวนา ก็แผใแ่ใน ก, การปแผ่เมาสัตย์ใจจัดตาเลึกถึงคนนู้นคนนี้ก็หวังให้เขามีความสุขขอให้มีความเจริญให้เ้าหลมดทุกข์หมดภัยต่างๆคิดอย่างนี้จใจมันก็มีความสุขมีความเย็นมีความสง บ, บมีหลายวิธีบางคนก็ชอบเพ่งดูโครงกระ ด, ดูกดูกระดูกไปเรื่อยเหมือนก็สงบได้บางคนก็ชอบท่องเที่ยวดูในอาจารย์สามสิบสองเขาเรียกว่าไปเที่ยวในกรุนคร ดูผมดูผมดูเล็บดูฟันดูหนังดูเนื้อดูเอ็นดูกระดูกอย่างนี้ก็จะถ้าทําทําแบบนี้จะได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งปัญญาและได้ทั้งสมาธิด้วยเพราะว่าเห็นปฏิกูลเห็นความไม่สวยงามของร่างกายแล้วจิตกําลั ง, งับจากความฟุ้งซ่านที่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆคิดอยู่แต่ในเรื่องของร่างกายนี้ก็จะทําให้จิตสงบแล้วก็ทําให้เกิดมีปัญญา ไม่หลงยไม่หลงยินดีไม่มีความชอบความรักใครในรูปร่างของไข่ทั้งสิ้นเพราะเห็นเห็นมากกว่าที่เห็นด้วยตาเนื้อเห็นด้วยปัญญาเห็นเห็นภายใต้ผิวหนังเห็นสิ่งปฏิกูลต่างๆที่มีซ่อนอยู่ในร่างกายที่ออกมาจากร่างกายมันเห็นถ้าพิจารณาก็จะเห็นถ้าไม่พิจารณาก็เหมือนกับไม่เห็นไม่ไม่มี มันก็บไม่มีแต่มันมีอยู่แต่เราไม่พิจารณาเหมืนเนี่ยคำประธานเจ็ดสิที่นี้บางชนิดก็เป็นทั้งปัญญาและสมาธิพวกผู้บรนไกจากนนิดก็เป็นแต่สมาธิอย่างเดียวเช่นบริกรรมพุโทโธพุธโทโธนี้จะเป็นสมาธิอย่างเดียวเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของอสุภะหรือปฏิกูลหรือเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่บางอย่างนี้มันเกี่ยวกับเรื่องปัญญาด้วยพิจารณาความตายอย่างเนี้ย กิแก่เจ็บตายนี่มันก็เป็นอนิจจ์นะมันก็เป็นปัญญาด้วยที่มันก็เกิดอยู่กับจริตของแต่ละคนนี้จริตนี้อยู่ห้าชนิดพู้ที่จริตนี้ก็จะเป็นพวกที่ชอบของจริงชอบพิจารณาความตายพวกศรัทธาจริตนี้ถ้าชอบพุทโธชอบเชื่อไว้ก่อนเชื่ออะไรง่ายเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมเชื่อพระสงฆ์ได้พิจารณาความตายก็ไม่ไม่ไม่เอากลัว แต่ละจาริตาชนิดเขาก็มีมีกรรมฐานที่เหมาะกับเขาแต่อาจจะมีของเราอาจจะมีทั้งห้าชนิดอยู่ในของเราเพียงแต่ว่าตัวไหนมันเด่นกว่าเราก็ต้องใช้ตัวใช้กรรมฐานที่จะกราบตัวนั้นถ้าเกิดถ้าเกิดราคะนี่เราก็ต้องใช้อสุภะเขามาหล้วนะ <c oughs> ถ้าเกิดโทสะนี่เราก็ต้องใช้เมตตาภ า, า, าแล้วนะถ้าเกิดความหลงก็ต้องใช้ปัญญา ใจอนิจจังทุกขังหน้าตาเ ม, มาลังก์เนี่ยมันมีมันมีด้วย้วกรรมฐานนี่เป็นเหมือนยาแก้ระงับความทุ่งซ่านของจิตใจทําจิตใจให้สนุกเหมืนเหมือนเหมือนเป็นเหมือ น, น, น, น, น, นกับยาระงับประสาทกินไม่ได้นอนไม่หลับก็ไปหาหมอหมอก็ให้ยานอนหลับมากินจะได้นอนหลับได้จิตใจของเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน นี่คือการภาวนาเป้าหมายก็คือระ ง, งับจิตใจให้สงบนึ่ให้ปล่อยวางไม่ให้มีความทุกข์กับเรื่องอะไรทั้งสิ้นก็ต้องอาศัยทั้งสมาธิและปัญญาในเบื้องต้นก็ทําสมาธิก่อนเพราะมันง่ายกว่าปัญญาและมันจําเป็นที่ต้องเป็นฐานรองรับปัญญานี้จิตไม่สงบแล้วจะไม่สามารถแยกแยะสิ่งดีชั่วในจิตในใจได้ ถ้าจิตสงบแล้วก็สิ่งที่เป็นพลิกเป็นพายใจจิตใจจะเห็นฉันมันจะกระเพื่อมขึข้นมาเพราะจิตกระเพื่อมขึ้นมาเพราะสิ่งนั้นสิ่งนี้มันรู้เลยว่าไอตัวนี้ไม่ดีถ้าเห็นแล้วไม่กระเพื่อมได้ยิ น, นะะแล้วไม่กระเพื่อมแสดงว่าตัวนั้นใช้ได้เพื่อเห็นด้วยการปล่อยวางถ้าเห็นด้วยการยึดติดอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นนี้จิตมันจะกระเพื่อมทั้งทีนั้นคนที่เราไม่ยึดติดนีเราดูไปไงเราจิตเราก็ไม่กระเพื่อมเนี่ย เขาจะเป็นก็จะตายอย่างร้รยังไม่กระเพื่อมแต่คนที่เรายึดติดมีความผูกพันด้วยนี่โอ้โหเพิ่งแต่เห็นหน้าเพิ่งแต่คิดถึงก็กระเพื่อนขึ้นมาแล้วความห่วงความกังวลความห่วงใยงเวลาภาวนาเริ่มต้นก็นมีสองวิธีเนี่ยถ้ายังไม่สามารถทําจิตให้สงบได้ด้วยตัวเราเองก็อาศาัยการสำเทศสำธรรมไปก่อน ค, คเวลาที่วิเซอรภาวนานอย่างคั้งหนึ่งค่ะเว่ามีป่วศีรษะมากก็เลยพี่เจอนาการถ่ายหรบศีรษะตัวเองค่ะแล้วก็พิจารณาไปเรื่อยๆนะคะจนั้นมีความรู้สึกว่าศีรษะตัวเองบาฮานออกทั้งสองข้างเลยค่ะแล้วก็กายก็หายไปเรืยลูกควรที่จะปล่อยวางไปหรือว่าพุโทโธกับมาใหม่ คือผลแต่เนั้นมันเป็นยังไงหลังจากที่รับพิจารณาแล้วจิตมันสงบไหมสงบกายหายกายหายมันสงบก็เราก็ได้ผลแล้วเนี่ยเราก็หยุดก็ได้ก็ให้มันอยู่ในความสงบนั้นไปมันก็อย่างเหมนอนก็ยังเคยเหมือการพิจารณาอยู่ช่วงนั้นยังอยากจะพิจารณาต่อมันเหมือนเหมือนว่าใจอยากจะพิจารณาต่อก็ยังเหมือนกับกินข้าวยังไม่อิ่มก็พิจารณาต่อไปถ้ามันถ้ามันอิ่มแล้วมันก็จะหยุดเอง ถ้ามันพอใจมันมันมันมันเห็นผลแล้วมันมันสบายใจแล้วมันก็หยุดเองถ้ามันยังไม่หยุดก็แสดงว่ามันยังไม่ไม่ไม่เต็มที่ก็ปล่อยให้มันหยุดอยู่อย่างนัใช่ไหมหมายถึงว่าพิจารณาต่อไปถ้าเต็มที่ต่อไปจนเต็มที่แล้วมันก็จะหยุดพิจารณาเองถ้ามันยังไม่หยุดก็แสดงว่ามันยังไม่เต็มที่ก็ต้องพิจารณาต่อไปแล้วถ้ามันเต็มที่แล้วหยุดแล้วเราก็ควรปล่อยไปอย่างนั้น ก็นั่งอยู่จสมาที่ต่อเราจะนั่งก็ได้ไม่นั่งก็ได้จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนระยาบทดินจงกรมก็ได้แล้วถ้าจะนั่งมันก็จะต้องไปแก้ปัญหาอิจโตหนึ่งตาที่จะตามมาก็คือทุกขเวทนาพอ nang ไปแล้วต่อไปเดือมันก็จะเจ็บปวดขึ้นมาอีกก็ต้องพิจารณาเวทนาให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันเราต้องปล่อยวางมัไปมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปอย่าไปกลัวความเจ็บ อย่าไปลังเกียจความเก็บอย่าไปอยากให้มันหายมันจะเป็นอยู่ก็ให้มันเป็นไปล้วก็ภาวนาของเราต่อไปพิจารณาร่างกายกลับมาพิจารณาร่างกายก็ได้แยกแยะร่างกายให้ออกจากจากเวทนาให้ออกจากใจว่าทั้งสามส่วนนี้เป็นคนละส่วนกันเป็นเป็นสามภาวะเป็นส า, นามสภาวะธรรมเวทนาก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึง่งกายก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึง่งใจก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึง่ง เหมือนกับเสียงก you know ็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งกายที่รับรู้เสียงก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งใจที่รับรู้ผ่านร่างกายก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งก็ต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ร่างกายมีหน้าที่รับรู้นั่ร่างกายมีหน้าที่นั่งอยู่นั้นก็นั่งไปใจมีนั้นทาทาที่รับรู้ก็รับรู้ไปเวทนามีหน้าที่แสดงก็ปล่อยเแสดงไปไม่ต้องไปก้าวไายกัน บางคนต่างทาหน้าที่ไปใจก็รู้อยู่เฉยๆอย่าไปอยากให้เวทนานั้นหายไปอย่าไปรังเกยียดเวทนายอมรับเขาเหมือนกับเรารับสุขเวทนาเวทนาเราไม่รังเกียดทั้นใดสุขเวทนาเราไม่รังเกยียดเราก็ไม่ควรที่จะไปรังเกยียดทุกขเวทนาถ้าเราให้ความเสมอภาคระหว่างทุก ข, กขเวทนากับสุขเวทนาใจของเราก็จะมีความสุข ใจแล้วก็จะอยู่เฉยมากแต่เราไม่ให้ความเสมอภาคเราเลือกที่รักนักที่ชังเวลาสุขเวทนานี้เราต้อนรับเขาอย่างเต็มที่เวลาทุกเวทนาเราพยายามขับไล่สายส่งที่เขาดื้อเขาไม่ยอมไปเราก็ดื้อเขาไม่ยอมไปเราก็เราวุ่นวายใจทีนี้เราก็อย่าไปขับไล่สายส่งเขาเราก็ต้อนรับเขาเหมือนกับเราต้อนรับสุขของเวทนาถ้าเราทําใจได้อย่างนั้นใจของเราก็จะสบาย เราก็จะผ่านทุกเวทนาไปได้ถ้าผ่านไปได้ทีนี้โอ้แล้วก็ผ่านปัญหาที่เป็นปัญหาหลักที่ขวางทางการปฏิบัติของเราพอผ่านทุกเวทนาไปได้แล้วต่อไปนี้จะไม่ค่อยกลัวอะไรแล้วไม่กลัวจามเจ็บปวดไม่กลัวการอดอยากขาดแคลนไม่กลัวความหิวความแหนะ้งเพราะมันก็เป็นทุกเวทนาทั้งเมื่อเราผ่านมันได้แล้วต่อไปใจของเราจะเฉยกับสิ่งเหล่า น, นี้เฉยกับความเจ็บปวดของราอ่างกาย ร่างกายจะเป็นอะไรก็จะไม่หวหัดยุติตกไม่กลัวเพราะรู้ว่าเราผ่านมาได้แล้วนี่เป็นนันที่ควรจะพยายามทําให้ได้ทําใจให้เป็นอุปเลยขาทําการทุกขเวทนาให้ได้เดี๋ยวเขเขาเกิดมาแล้วเดี๋ยวเขาไปเขาเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันเหมนทุกสิ่งทุกอย่างสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป เือเวทนาเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวก็ดับไปใ น, นเวลาเรานั่งคุยกันเนี่ยเรานั่งในท่าเดียวกันได้นานกว่าเวลาที่เรานั่งคนเดียวนั่งคนเดียวนี่ไม่กี่นาทีก็อยากจะขยับแล้ว <c oughs> เพราะเราไม่มีอะไรเกาะเลยแต่เวลาเราฟังเทศน์ฟังธรรมนี่เรามีมีเรื่องให้เราฟังให้จิตมันเกาะ อ, อยู่มันก็เลยไม่ค่อยไปสนใจเกี่ยวกับเวทนาของทางร่างกายใ น, นเวลาที่เราเจอทุกขเวทนาแล้วเรานั่งามารเฉยๆไม่ได้เราต้องพิจารณาต้องแยกแยะ เช่นเราแยกแยะว่าร่างการนี้เป็นอะไรเป็นวัตถุไม่ใช่เลยมันจากดินน้ำลมไฟมันก็ไม่ต่างกับเสาหรือเก้าอี้หรือข้าวของต่างๆมันจะนั่งอยู่ตรงไหนตั้งอยู่ตรงไหนนานเท่าไหร่มันก็ไม่มีความรู้สึเกเจ็บปวดอะไรร่างกายของเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันความเจ็บปวดไม่ได้อยู่ที่ร่างกายผู้ที่รับรู้ความเจ็บปวดก็เพียงแต่รับรู้เหมือนกับเป็นกระจกที่สะท้อนภาพเท่านั้นเองภาพจะเป็นภาพชนิดไหนสะทกกระจกมันก็ไม่ได้ไป ไปมีความยุ่งเหยิงอะไรกับภาพที่ปรากฏขึ้นในกระจกภาพคนยิ้มมันก็เป็นกระจกภาพคนทับท่าทหน้ายักหน้ามามันก็เป็นกระจกมันก็เฉยเฉิมก็เพียงแต่รับสะท้อนภาพคาวามจริงใจก็ควรจะสะท้อนความจริงรับรู้ความจริงเท่านั้นรู้ว่าสุขก็รู้ว่าสุขรู้ว่าทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์ไม่ต้องไปไปเข้าข้างเขาพอเป็นสุขก็ไปเข้าข้า ง, ขงเขาพอเป็นทุกข์ก็ไปไปต่อต้านเขาาอย่างนี้ นี่แสดงว่าใจของเราหนึ่งไม่เป็นไม่เที่ยงธรรมมันมีอคติคือมีรักมีชังสิ่งที่เราต้องกำจัดก็คือความรักความชังที่มีในจิตให้มันให้มันเพียงแต่รับรู้เท่านั้นถ้ามันเข้าใจแล้วมันมันมันทำได้จิตมันก็จะนิ่งเฉยเวทนาจะดับไปแล้วไม่ดับก็ไม่ไม่กระทบกระเทืนกับจิตใจต่างฝ่ายต่างอยู่กันได้ กายก็นั่งไปไเรื่อยๆเวทนาก็แสดงไปเรื่อยๆใจก็รับรู้ไปได้เรื่อยๆเพราะกิเลสคือความตัวรักตัวชังมันถูกถูกสกัดด้วยปัญญานี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราพิจารณาแยกแยกกายเวทนากระจายให้ตามฝ่ายต่างทําหน้าที่ของเขาไปา น, านั่ ง, น, น, แง น, น, นแสดงว่าเรา เราเปลี่ยนเวทนาแล้วเนี่ยเรานังเก็บทุกเวทนาเราอยากจะเราอยากจะให้มันหายไปเมื่อมันไม่หายเองเราก็ต้องทําให้มันหายนี่ <c oughs> เราไม่มาฝึกให้มันหายเองเราอยากไปทําอะไรมนะัน <c oughs> ไม่ควรเปลี่ยนให้มันหายก็มันเองต่อไปเราจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันทุกวันนี้ถ้าเราวุ่นวายก็เพราะเราชอบปลี่ยนเวทนาเลยพอร้อนเราก็ไปติดแอร์กัน พอติดแอร์ก็ไปต้องไปมีไฟฟ้าพอมีไฟฟ้าก็ทําให้ลูกร้อนขึ้นมาก <c oughs> ็มียิ่งร้อนขึ้นไปอีกก <c oughs> ็มีแต่ปัญหาเพิ่มขึ้นถ้าเราอยู่แบบธรรมชาติโดยอยู่แบบพวกพวกสัตว์ที่ก็อยู่ในป่านี้โลกเราจะไม่มีปัญหาทางด้านทางด้านเรื่องของเรา <c oughs> เรื่องสั <c oughs> ตว์ปิตรล้อมสิ่งแวดล้อมที่ท่นบอกว่านั่งนานๆล็อเราไปเดินตัวโกงอันนี้ไม่เหมือนเดิม คือที่ให้นั่งนานๆนี่เป็นเพียงแต่ตอนที่เราต้องการผ่านเวทนาคือเมื่อเข้าห้องสอบการปฏิบัตินี่มันมีห้องสอบที่เราต้องเข้าหลายห้องห้องกายห้องหนึ่งแล้วพิจารณาปล่อยวางร่างกายแล้วก็ห้องเวทนาถ้าเข้าห้องสอบเวทนาก็ต้องนั่งไปเหมือนทั้งนั่งทั้งคืนอย่างนี้แปดชั่วโมงตั้งแต่หัวค่ำถึงสว่างคือห้องสอบของเวทนา ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านถ้านั่งอยู่ได้ในรยาบทนั้นสามารถแยกแยะเวทนากายจิตทำให้ปันฝ้ายามอยู่กันได้ไม่ต้องบรบกวนกันตลอดเวลา8ชั่วโมงได้ก็สแสดงว่าผ่านสอบผ่านถ้าผ่านละทีนี้เวลาจะมาปฏิบัติขั้นที่ละเอียดกว่านั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องนั่ง8ชั่วโมงนั่งชั่วโมง2ชั่วโมงเมื่อไงก็ลุกขึ้นมาเดินต่อ เด อ, อา จ, จะเดินมากกว่านั่งก็ได้เพราะช่วงนั้นจะต้องใช้การพิจารณามากบางทีเดินเป็นเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยเดินแบบลืมไม่ร่ำเวลาเลยเวลาพิจารณาทันขั้นละเอียดนะมันจะเคลินตอนนั้นมันจะไม่ค่อยมันไม่ไม่ต้องนั่างนานก็ได้มันมีห้องสอบที่ไม่เหมือนกันเนี่ยห้องสอบแต่ละห้องนี่มันมีมีมีข้อบังคับไม่เหมือนกัน การเกี่ยวกับร่างกายก็ต้องพิจารณาปรองให้ได้เช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไปอยู่ท่ามกลางเสืออย่างเนี้หรือว่าทําจิตใจให้นิ่งได้หรือเปล่าหรือจะมาคาบร่างกายไปกินให้มันคาบไปกินถึงจะนี่เขาเรียกห้องสอบของกายห้องข้าสอบของเวทนาก็คือต้องนั่งมันนานๆให้เวทนามันเกิดขึ้นแล้วมันหายของมันไปเองส่วนห้องห้องสอบที่ละเอียดก็ น, นี่นต้องใช้ปัญญา เดินตจงกรมยึดยึดเคราะห์มันมีหลายมันมีหลายห้องด้วยกันเพื่อนผู้เขาบอกเขานั่งไม่ได้นานเพราเข้าเข า, เขานั่งธรรมดานั่งเก้าอี้บ้ากนอนบ้างอะไรแบบเนี้ย อ, อมันยังเ <c ười> คยนั่งแบบนั้นมันยังไม่ได้เข้าห้องสอบเลยยังไม่ได้ผ่านๆๆๆถ้าคนที่ผ่านทุกก็ไม่ได้นานได้แล้วจะรู้จะรู้ว่าตนเองผ่านได้แล้ว จะไม่ไ ม, ไม่ไม่หวั่นเกรงกับความทุกข์ต่างๆของทางร่างกายร่างกายจะเจะ็บปวดอย่างไรก็ทนได้ถึงขั้นตายก็ทนได้แต่การตรวงวางร่างกายนี้อีกอย่างคือต้องไปอยู่ที่มันอันตรายที่ที่ว่าชีวิตของเรานี้กำลังจะจะจะเป็นจะเป็นภัยอนี้และตอนนั้นจิตใจมันจะลรำระส่ทระสายไปหมดเลย ถ้าทำให้มันสงบไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้ถ้าทำให้สงบได้ก็อยู่ได้เพตลอดสบายไม่หวัน่นกลัว ก, กับอะไรทั้งสิ้นนั้นต้องเข้าใจนะว่าทำไมเขาต้องนั่งกันนานๆไม่ใช่ตลอดเวลาแต่เมื่อปฏิบัติไปถึงขั้นหนึ่งมันรู้แล้วว่านี่คือขั้นที่เราจะต้องผ่านแล้วก็ต้องนั่งนานๆให้ได้ ที่ต้องไปอยู่ในป่าเพื่อไปตรงสังขารก็เพื่อที่จะผ่านขั้นนั้นไปขันปล่อยวางกายร่างกายความตายความยึดติดในร่างกายในชีวิตนี้ต้องไปปล่อยต้องไปปลงแล้วก็ปลงเรื่องเวทนาหลังจากนั้นแล้วก็จะมาพิจารณาเรื่องอสุภะต่อไปความไม่สวยไม่งามอย่างนี้ไม่ต้องนั่งก็ได้เดินก็ได้เดิน อันนี้ต้องรู้อยู่ตลอดเวลาต้องลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นที่มีพระอยู่รูปหนึ่งท่านจเจริญแต่โครงกระดูกจนกระทั่งเวลาใครเดินมาท่านก็เห็นแต่โครงกระดูกท่านไม่เห็นคนมีคนมาถามว่าเห็นคนสองคนเดินผ่านมาไหมก็ไม่เห็นนะมีแต่โครงกระดูกเดินผ่านไปนั่นแสดงว่าท่านกําลังจะเล่นนะสุภะกรรมฐานความไม่เสุนงาณของร่างกาย จริงๆครับการทำบุญตลอดเวลาแต่ไม่ได้ทำสมาธิมานานนี่ไม่ช่วยให้จิพัฒนาขึ้นใช่ไหมมันเกินมันขั้นมันขั้นอนุบาลเนี่ยขั้นปฐมจิตมันมีหลายหลายหลายขั้นไงขั้นอนุบาลขั้นปฐมขั้นมัธยมขั้นอุดมศึกษาถ้าเรียนอยู่แต่ขั้นอนุบาลมันก็ได้แค่ขั้นอนุบาลเท่านั้นจบอนุบาลก็ต้องก้าวขึ้นสู่ขั้นปฐมทำบุญให้ทานแล้วก็ต้องรักษาศีล ศาสนาศีลแรกก็ต้องภาวนาต้องไปอยู่วัดไปอยู่ถือศีลแปดนี้ได้คำะแล้วก็นั่งสมาธิเดินจงกรมตอนต้นก็อยู่ในกุฏิก่อนอยู่ในวัดก่อนต่อไปก็ออกไปนั่งในป่าออกไปเดินในป่าตอนเช้าคืนตอนต้นก็ไปหลายหลาคนต่อไปก็ไปคนเดียว <c oughs> มันมันเป็นขั้นๆไปเนี่ยจะไปทำแบบพรีผาไม่ได้เดี๋ยว เดี๋ยวไปเหียวตั้งแต่เปิดเเมื่อสองวันก่อนมีคนมาขอขึ้นมานาวนาอยู่คนหนมาตอนบ่ายสามโมงวัสามทุ่มเปิดละรถบัเรียกเรียกรถมาแล้วมาคนเดียวมาคนเดียวแล้ว้อนตอนเช้าเขามาเล่าให้ฟังแล้วก็นั่งขอนานแล้วตอนต้นก็จิตแค่สงบดีแต่พอไปนั่งไปนั่งไปมันเริ่มหลอน แล้วไม่มีสติควบคุมทนอยู่ไม่ได้กลัวไปหมดนั่งก็ต้องจึดนั่งหลับตาแต่ต้องจุดเทียนไว้จุดเทียนก็กลัวไฟมันจะไหม้ก็เลยวุ่นวายมาอยู่ข้างในทั้งรุ่นหรือข้ในอยู่นี่ยฮะก็อยู่กับเนี่ยอ๋อยู่ใกลนี่เองใกล้นี่แต่เขาไม่เคยอยู่ป่ามาก่อนในเมืองแล้วตอนเช้าก็ถึงมาสารภาพบอกว่าผมก็้าแล้วว่าท่านอาจารย์พูดว่าการปฏิบัติมันเป็นขั้นเป็นอย่างไร ผมคงจะต้องกลับไป้านอนุบาลใหม่อางทีนทางใหสาธินก่อนเ <c oughs> อ, านอ้าจารย์เคยนั่งภาวนาพูดถึงเวทนานะคะ <c oughs> เคยผ่านเวทนาได้โดยที่จิตสงบแล้วเวทนาก็หายไปแต่ว่ามันไม่ได้เป็นทุกครั้งนะครั้งบางครั้งแสดงว่าเราสงบด้วยายของสมาธิไงหรือขณะนั้นจิตของเราเท่งอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง แล้วเราไม่ไปนสนใจกับเวทนาที่มันเกิดขึ้นแต่เราไม่ได้แยกแยกมันด้วยปัญญาถ้าเราแยกแยะด้วยปัญญาว่ามันเป็นธรรมดามันเป็นสิ่งที่ใจเรารับรู้ได้ไม่ต้องไปกลัวมันถ้าเป็นอย่างนั้นต่อไปมันจะเกิดขึ้นมาแล้วจะดับไม่ดับมันก็ไม่ทําให้จิตใจเราวุ่นวายอ๋อแค่ตงนั้นจะทําได้ทุกครั้งใช่ไหมทำได้ทุกครั้งถ้าถ้าเป็นปัญญาแล้วมันจะทําได้ทุกครั้งแต่ถ้าเป็นสมาธิเป็นอุบายทั้งสมาธิมันขึ้นอยู่กับสติ กับอารมณ์ของเราในขณะนั้นถ้าวันนั้นจิตใจจะสงบไม่วุ่นวายเราอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจได้ความเจ็บปวดเหล่านัน้นก็หายไปเองได้ ม, มันต่างกันท่านอาจารย์เคยนั่งภาวนาแล้วก็ดูดดดมางกรนะค่ะและ้ว้ลกใช้พิจนานณำว่าดูแค่มาคืนเลอกทเดียว ไม่ได้อาชีวิตเราแล้วก็ให้เป็นทานการพอการโอนาพอหนึ่งจดหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะไม่รู้สึกเจ็บไม่ยุ่กะใช่นั่นก็เป็นอุบายของเราเนไงเป็นการปล่อยวางเราจะคิดแบบไหนก็ได้ขอให้เราปล่อยวางได้คือปล่อยให้เขาทําไปตามเรื่องของเขาอย่างนี้ก็ถูกแล้วก็เป็นอุบายวิธีแต่ละคนอาจจะคิดไมเหมือนกันอาจจะบางคนอาจจะคิดว่าหมอมาเจาะเลือดไปไปตรวจก็ได้มันก็ได้เหมือนกันแล้วแต่เราจะคิด อันนี้อุบายตังแต่ละคนนี้มันไม่อาจจะไม่เหมือนกันแต่ผลที่ปรากฏก็เหมือนกันก็คือใจเราปล่อยวางไม่ไปลังคาไ ม, งไม่ไ่<า>อยากจะ ใ, <ช>ให้มันหายไปหรืออะไรไปก็ปล่อยไปตามเรื่องใช้ได้ทั้งนั้นแต่ละคนอาจจะมีวิธีที่คิดไม่เหมือนกันอุบายไม่เหมือนกันแต่ผลที่ต้องการก็เหมือนกันคือปล่อยวางปล่อให้เขากลับไปก็จะเป็นความ สงบกับลมสบายใช่จิตก็ไม่ฟุ้งซ่านนั่งต่อไปได้ถ้าบางทีลำคาญทนไม่ได้จะตบมันดีและไม่ดีก็อีกคนนึงแบบปัยุงสก็แสดงว่าไม่สงบเลยแล้วปล่อยวางไม่ได้ยังต้องยต้องไล่เขาไปของลูกเคยเป็นเวลานั่งแล้วมันเจ็บ ก็มีความรู้สึกว่าเราตายให้ไปตายโออโหมันเห็นมันวิ่งออกมันนี้ไปเลยมันปล่อยเลยพาทีบางส่วนนั้นเกิดจากจิตเราไปสร้างมันขึ้นมาเห็นล้ำออกไปเลยพอเราปล่อยกั๊บมันก็ไปแล้วอุปทานเนี่ยความยึดติดความหังเกียจมันก็เป็นอุปทานอย่างอยากให้มันหายเป็นสมุทัยวิภาวะปัญหาอยากนา ขายไปอยากจะให้มันหายไป<ช>เราต้องทําใจให้เป็นอุเบกขาให้ได้ถ้าเป็นอุเบกขาได้แล้วจะเป็นยังไงก็ไม่มาลบกวนใจของเราที่จะทําให้มันถึงจุดนั้นได้ยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับอุบายของแต่ละคนที่จะต้องผลิตขึ้นมาเอง <S <S <ๆ>คือเราฟังแล้วเราลองไปใช้ดูอาจจะไม่เราอาจจะใช้ไม่ได้ก็ได้กับเราเราอาจจะต้องใช้อุบายอย่างบางอย่างเหรืออาจจะใช้ได้ก็ได้แนะๆน่าแต่ ก็ต้องไปทดลองดูการปฏิบัติจะเป็นตัวที่จะรับรองผลขอ ง, ของการปฏิบัติอาจารย์แค่หนึ่งยังไม่มากเลยขณะที่ปวดใช่แต่ว่าเราก็พิจารณาพิจารณาไปเรื่อยๆนะคะแต่ไม่ได้พิจารณาเรื่องที่ปวดเนี่ยคะแต่เรื่องเรื่องที่มันมีซ้อนขึ้นมาอีกเรื่องนึงขึ้นมาอันนั้นก็เป็นการเรียงเรียนจิตให้จิตนี้ก็ได้ ก็ไปอุบายอย่างหนึ่นแต่มันไม่ได้ไปถอนรากถอนโคน mm hmm. มันเพียงแต่เป็นการเบีเ่ยงเบือนจิตไม่ให้ไปคิดอยากจะให้เวทนานั้นหายไปเห mm hmm. มือนกับเราบริกรรมพุทโธพุทโธไปมันก็ไม่มีโอกาสที่จะคิดอยากจะให้ให้ให้เวทนานั้นหายไปเมื่อมันไม่มีไม่มีความคิดอยากให้มันหายความทุกข์ในใจมันก็เบาลงไปเบางลงไปก็เลยรู้สึกว่าความเจ็บปวดนั้นไม่มาก ก็พอทนอยู่กันได้หรือหายไปเองก็ได้ต่อไปแต่ถ้าเราพิจารณาว่าเวทนามันเป็นสิ่งที่เราหรีบเรียงไม่ได้มันก็เป็นเหมือนสุขเวทนาทำไมเรารับสุขเวทนาได้ทำไมเรารับทุกเวทนาไม่ได้มันก็เป็นเวทนาเหมือนกันถ้าเรารับเวทนาทุกเวทนาได้ถ้ากับเรารับสุขเวทนาได้เราก็สบายอันนี้อันนี้ต้องเกิดจากปัญญาจากปัญญาที่ยอมรับว่า สุขเวัฒนานี้เป็นของคู่กันมีสุขมีทุกข์เป็นธรรมดาสุขได้ก็ทุกข์ได้ถ้าเรามีความสุขกับความสุขแล้วก็ต้องมีความสุขกับความทุกข์คือบางครัง้งเนี่ยมันจะมีซ้อนคือมันมันจะเกิดดับ่ตลอดใช่ไหมฮะเนะพราะภาวะจิตมันอะไรเข้ามาเนี่ยเราก็เดี๋ยวก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็ไล่ไล่ไปเรืเร่อยๆนี <ừ> ่ค่ะอืเราก็อยากจะพยายามที่นี้มันมีเยื่องม่นเข้ามาถูกไหมซ้อนเข้ามาก็พัฒนาไป ซึ่งนี้ไมุต้องย้อนกลับตรงนี้ให้จุดนี้ให้เป็นผ่านไปก่อนใช่ไหมคะถ้าเราต้องการจะให้มนแก้ปัญหาของเวทนาเราก็ต้องเกาะติดอยู่กับเรื่องของเวทนา <Okay. S 2> แต่ถ้ามีเรื่องอื่นมาฉุดไปก็แสดงว่าสมาธิเรายังไม่แก่กล้าฟองยังไม่เกาะติดอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง <Okay. S 2> ยังถูกอารมณ์อย่างอื่นมาฉุดลากไปได้ก็ยังไม่ได้ก็ยังไม่ได้แก้ปัญหายังไม่ได้เข้าห้องสอบยังไม่ได้ทําข้อสอบให้เสร็จ ก็มีคนอื่นชวนให้ไปทํานั่องอื่นก็ไปปัญหานั้นในข้อสามนั้นเราก็ยังไม่ผ่านจิตตรงนี้มันมันมันก็ไม่ได้แต่งเป็นแต่งเองมันเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมคะมันเป็นกระแสเป็นกระแสอยู่ภายในจิตของเราเป็นอารมณ์ต่างๆที่มันมันเกิดเลยนะผมก็เกิดมันเกิดขึ้นมาแต่ถ้าเรามีสติที่แก่กล้าพอเราสามารถที่จะเอไม่ไปสนใจกับมันได้เราสามารถกอดจิตอยู่กับ อารมณอารมณ์หนึ่งได้ถ้าสติลราอ่อนก็เป็นเหมือนกับเรือที่ทอดสมอแล้วแต่เชือกมันไม่แข็งแรงพอน้ํำแรงมาพัดเชือกก็ขาดเรือก็ลอยไปตามกระแสน้ำแต่ถ้าเท่าสมอแล้วใช้โซ่อย่างเงี้ยผูกขับเรือไว้น้ำจะมาแรงขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะพัดเรือให้ลอยไปได้ใจของเราถ้ามีสติแบบแบบ คข้มขนแบบแน่นหนาอย่างนี้อะไรอารมณ์อะจะมามันก็จะไม่สามารถที่จะมาพัดให้ใจของเราออกไปจากเรื่องที่เรากําลังกําหนดอยู่ได้ดังนั้นการจเจริญสติจึงเป็นเรื่องสําคัญมากจิตจะสงบได้ก็ต้องเกาะติดอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจิตจะเกิดปัญญาเกิดความปล่อยวางนู้แจ้งเห็นจริงได้ก็ต้องเกิดจากการพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างต่อเนื่องจน ถึงเหตุถึงผลของมันคือการจินี้คือยังไม่ตั้ง ม, มั่นใ<ม>ช่ไหคะฐานจิตยังไม่ตั้งมั่นพอท่านถึงบอกว่าสมาธิมสมาธิเป็นเครื่องสนับสนุนปัญญานั่น <laughs> อย่าไปคิดว่าสมาธิไม่สําคัญสมาี่สําคัญมากแต่สมาธิโดยลําพังไม่สามารถกําจัดกิเลสได้แต่สมาธิเป็นเครื่องสนับสนุส น, นปัญญาที่จะเป็นตัวกําจัดกิเลสได้ทีมันเป็นขั้นตอน ศีลก็เป็นเครื่องสนับสนุนสมาธิยังมีในพระราลูที่ท่านบอกว่าอะไรนะสมาธิที่ศีลอบรมดีแล้วมีอ น, นิสงส์มีผลมากมีอ น, นิสงส์มากปัญญาที่สมาธิอบรมดีแล้ว ม, มีอ น, นิสงส์มากมีผลมากจิตที่ปัญญาอบรมดีแล้วก็จะลดท้นโดยถ่ายเดียวเนี่ยมันสนับสนุนกันไปเป็นขันขน เห็นก็สนับสนุนสมาธิให้เกิดสมาธิขึ้นมาสมาธิก็สนับสนุนให้เกิดปัญญาไม่ให้เกิดเองไหมแต่ก็สนับสนุนในการทำปัญญาในการเจริญปัญญาเมื่อมีปัญญาก็จะสามารถทำให้จิตหลุดพ้นได้จิตหลุดพ้นได้ด้วยปัญญาแต่ปัญญาต้องอาศัยสมาธิเป็นเครื่องสนับสนุนสมาธิก็ต้องอาศัยสีนเป็นเครื่องสนับสนุน ศีลก็ต้องอาศัยทานเปนเครื่องสมบัตินึน่ทานก็ต้องอาศัยศรัทธาเป็นเครื่องสนบัตินึ่ศรัทธาก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังเป็นเครื่องสนับสนึน่ต้องฟังจากผู้ที่รู้จริงเห็นจริงก็จะเกิดศรัทธาก็จะทําให้มีความกล้าที่จะเสียสละที่จะทําบุญจะเห็นว่าเท่าของเงินทองนี้ไม่มีคุณค่าเท่ากับการทําบุญเป็นการแลกเปลี่ยนกันเมื่อทํำบุญให้ทานก็จิตใจะมีความเมตตากรุณา ในคิดอยากจะเบียดเบียนผู้อื่นก็จะมีศินขึ้นมาเมือมีศินขึ้นมาก็จะมีความสงบไม่วุ่นวายกับการไปทําผิดศินเวลาเราทําผิดสินแล้วจิตใจเราจะกังวลจะไม่สบายใจจะสงบยากพอมีศินแล้วมันจะไม่มีความกังวลไม่มีความไม่สบายใจมันก็ทําให้สงบงา่ายพอมีสมาธิแล้วจะให้พิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันก็จะเกาะติดอยู่กับเรื่องนั้น จนกว่ามันจะเข้าใจแล้วตัดได้ปล่อยได้พอตัดได้ปล่อยได้จิตก็ลดพ้นได้เนี่ยมันเป็นขั้นเริ่มต้นจากการมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดจัตตาก็จะได้นำไปปฏิบัติเห็นภาพไหมเห็นภาพนะทุกนะตัวเพื่อนตัดเกียงต่อมกเนะี มัยาพอทุกวันปิดก่นเกิดทุกวันเกทุกวันตายทุกวันพอวันี้่าไปก็ตายแล้วู้เี้งต แต่นนี้ตอนตอนพอวันนี้ผ่านไปก็เหมือนก็ตายจากวันนี้ไปแล้วพรุง น, นี้ก็เกิดใหม่ท่านฝ น, น, ท, น, ท, นท่านทำท่าอ่านหนังสือท่านก็จิตใจเป็นนั่นเลยผ <c oughs> ีเพื่อนของลูกเขาบอกว่าเรามีตําหาเปิดทีไรได้ทุกทีเลยค่ะเจอทุกทีเขาเจอจะมาตั้งแต่บวชมาที้ก็แมก่เคยว่าจะ ได้มาทาเผยแผ่ทางด้านธรรมะนะแล้วก็มาตั้งหลายปีก็ไม่ได้ไม่ได้สั่งสอนใครเลยแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่ามีมีออกมาเ ย, ยอะพอสมควร ก็พวกคุณนีัวไม่อะไรเลยใ่ไหมทำไม่ิมเป็นนองเื่อนปกะวนขอระวัาลากงพิมพ์ต่อไปเรื่อยๆนะคะตธอตามใจนี้รักษาศรัทธากลัวมันกรลังดกรวมตัวไม่ใช่ไงกลัวคนนิ่งมาน้กันเย็นเฉพาะองค์ชายพระองค์จาก เนยัเข้าใจนะ่อดคาถามนเข้าใจค่ะเราต้องพยายามสร้างความเพียรหนเรื่อตั้งสติเ่นเดี๋ยวมันจะท้อมันก็ต้องคอยเติมน้ำมันอยู่เรื่อยๆพอเราไม่เติมน้มันับเดี๋ยวมันจะท้อแล้วะ้อคอยปฏิบัติล้วต้องพยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆย่ปทำอย่างดน่มันี้เราต้องใส่ให้มากแล้วมันจะไปได้เรื่อยมันจะตัดปัญหาเรื่องความท้าทาได้มาก ถ้าทําแบบขึ้นๆกลางๆเนี่ยมันจะไปแล้วก็เสื่อมไปแล้วก็เสื่อมไปแล้วก็ทอถอยหน้าถอยหลังอย่างนี้นะมันดันกันไม่ต้องดันไปลูกเดียวอย่ปล่อยให้มันดันเรากลับมาเราต้องดันมันไปเรื่อยเรื่องความเพลินนะอันนี้วันวันที่สองพฤติการก็ไม่ได้มาคณะลูกเลยกราบไว้ที่นี่ไม่ไม่มีความสําคัญยังไงก็เป็นเป็นวันวันหนึ่งเรื่อง ก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่โบหรือไม่มันมันมีอะไรเลยวนี้เป็นวันทีแต่แต่ว่าเป็นวันที่ทําไม่มีท่านอาจารย์มาเปที่นี่มิตรก็ค่ะวันเวลาไม่สําคัญอยู่ที่การกระทําเป็นหลักจะเป็นวันอะไรก็ได้ทําบุญแล้วดีทั้งเป็นวันประเสิบทั้งจะเป็นวันอะไรถ้าไม่ได้ทําบุญแล้นไม่ประสบไม่มีปฏิบัติไม่ได้ประสบอยู่ที่การกระทําเป็นหลัก มาเป็นดาสายวันเหล่านี้มาเป็นเหตุมาเป็นเครื่องกระตุ้นให้เราได้ทําความดีแต่คนที่เขาทาความดีเป็นประจําแล้วเขาเขาไม่เห็นความสําคัญของวันเหล่านี้เลยอข้าใจไหมวกเราต้องอาศัยวันเกิดวันวิสาขะวันมาฆะถึงจะทําบุญกันแต่คนที่ก็ทําบุญทุกวันทำมันอยู่เป็นประจํำเขาไม่เห็นว่าวันไหนมันจะแตกต่างกันเลยเป็นวันทําบุญทุกวันอยู่แล้วนะ เป็นถ้าเป็นทางโลกๆก็ใช่จะหลงใหญ่เช่นกันจะหลงกันใหญ่จะหลง้วยตามบุญเมาด้วยความหลงเป็นให้พรนะอยะพาวาวะหาปุราปริตุเรนติสาคารงเอวามีวาอิโตชินังเปตานังอุปกัรปติ อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเปโหรันตุสังกะปาจันโุปนาระโสยทามณิโจติระโสยทาสัพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตระโยสุขีที่ข่ายุโกวะ อาภิวาทนาสีฤทธิจังวุธาปจายโนจตารโธรรมาวาธานติอายุวโนสุขังภาลัง